ครับสวัสดีครับผมก็จะขออนุ ญ, ญาตกล่าวถึงความเป็นมาที่จัดโครงการในวันนี้สักเล็กน้อยนะครับโครงการในวันนี้เนี่ยชื่อโครงการวัคซีนความทุกข์ถือกำเนิดขึ้นในเดือนธันวาคม2551นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนบริหารจัดการกิเลสหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจจนสามารถลดทุกข์เพิ่มสุขได้อย่างเหมาะสมนะครับ โดยคณะทำงานเนี่ยได้มาพูดคุยกันว่าอยากจะฟังพระเถระท่านใดนะครับมีหลายท่านเสนอว่าอยากจะฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อปราโมทแห่งสวนสันติธรรมนะครับบุญกุศลก็อำนวยผลเน่นะครับเราจึงได้คุณปรีชาเสือโครง่งเป็นผู้เป็นนิมนต์ท่านมาเทศที่โรงพยาบาลกลางได้นะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันปิดมือถือนะครับหรือตั้งเป็นระบบแสง และขอความกรุณาอย่าถ่ายรูปหลวงพ่อในขณะกำลังเทศขณะนี้ทุกท่านคงพร้อมกันหมดแล้วก็อีกไม่นานหลวงพ่อก็คงจะขึ้นมาข้างบนแล้วครับขอบคุณครับนวัสการท่านอาจารย์ครับเชิญผ่คุณหมอชูวิตแล้วก็ทีมงานของโรงพยาบาลกลางแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้มาเจอกัน คล้ายๆหลวงพ่อมาเยี่ยมบ้านเก่านะเพราะบ้านเกิดหลวงพ่ออยู่แากนี้แหละอยู่แถววัดราชนี่งตอนเด็กๆ เ, เ, เดินผ่านโรงพยาบาลกลางเป็นประจำเลยเขาไปเรียนที่วัดพ ร, ระปลาชัยตอนนั้นชอบมากเลยโรงพยาบาลกลางเป็นโรงบันเงียบๆ เ, เล็กๆข้างหน้ามีบ่อมีน้ำตกเล็กๆมีปลา เวลาจะเดินไปโรงเรียนหรือกลับจากโรงเรียนต้องมาแวะดูเส้นไหนแต่ไม่เคยคิดนะว่าจะต้องมาพักแรมที่นี่นะ <c oughs> แค่เดินผ่านวันนี้เรามาเจอกันเราก็มาเรียนธรรมะเนื่งชาวพุทธเราต้องศึกษาธรรมะถ้าไม่ศึกษาธรรมะไม่ใช่ชาวพุทธหน้าที่ของชาวพุทธคือต้องต้องเรียนอย่าว่าแต่พวกเราที่ส่วนใหญ่เป็นปุถุชนเลยแต่ทั่งพระโสดาบัน พระสักระคามีพระอนาคามีก็ยังเป็นนักเรียนอยู่ท่าเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าพระเศขบุคคลผู้ยที่ยังต้องศึกษาอยู่ยงั้นอย่างพวกเราอย่างไรก็ต้องเรียนต้องเรียนธรรมะเราไม่ได้ต่อสู้กับใครเราต่อสู้กับความไม่รู้ของตัวเองแล้วเราเรียนธรรมะจะเราเกิดความรู้ความเข้าใจธรรมะธรรมะไม่ได้อยู่ไกลนะธรรมะไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อ ไม่ well. Schweiz, us, id ha. after, the the reality, ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่อื่นการเรียนธรรมะนั้นเรียนลงที่กายที่ใจของเราเองกายของเราเป็นธรรมะชื่อว่ารูปประธรรมนะจิตใจเราเป็นธรรมะชื่อว่านามธรรมงนั้นธรรมะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ที่อื่นหรอกถ้าอยากเข้าใจธรรมะก็คอยรู้สึกนะรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจอย่าลืมกายอย่าลืมใจของตัวเองรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกสบายๆอย่าไปเพ่ง คนส่วนใหญ่มันจะลืมกายลืมใจทั้งวันใจลอยรู้จักใจลอยไหมมีใครไม่เคยใจลอยไหมหช่วยยกมือมีไหมหลวงพ่ต้องถามแบบนี้จะได้ไม่ต้องยกถ้าถามบอกอ้าใครใจลอยยกมือขึ้นก็ไม่มีคนยกอีกละมันไม่ใช่วัฒนธรรมไทยของเราชอบเงียบๆใจลอยนะยก็คือเราลืมกายลืมใจไปเวลาเราใจลอยเราเหม่อมอเราไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ เวลาที่เราคิดนเรารู้เรื่องที่คิดตามที่รู้เรื่องที่คิดนั่นเองมันจะไม่รู้กายไม่รู้ใจเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวจิตไม่รู้อารมณ์หลายอย่างหรอกแต่ละขณะแต่ละขณะจิตรู้อารมณ์ได้อย่างเดียวเมื่อไหร่จิตจะรู้เรื่องที่คิดจิตก็ไม่รู้กายจิตก็ไม่รู้ใจเมื่อไหร่ไม่รู้กายเมื่อไหร่ไม่รู้ใจเรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมอยู่ ที่พวกเราหลายคนชอบไปหัดภาวนานั่งให้เคลิม้มริปหลริบ ห, บหีนะลืมกายลืมใจใ ก, ใ, กใกล้ใกล้สลบเนะี่ยเราก็บอกว่าอย่างนั้นสงบดีความจริงใ ก, ใกล้สลบแหลนะนั่งจนลืมเนื้ลืมตัวขาดสตนะิอย่าไปตั้งอย่างนั้นเสียเวลาการที่เรานั่งภาวนาแล้วเราก็เคลิม้มลืมตัวไปนะั้นจิตมีโมหะแทนที่จะนั่งแล้วสู้กิเลสได้นะกับนั่งแล้วกิเลสมากกว่าเก่าอีก คนที่นั่งสมาธิแล้วติดติดสมาธิติดความสงบซึมเฉยอยู่นะพอจิตถอนออกจากสมาธิแล้วเนะี่ยมันจะขี้โมโหมากกว่าคนธรรมดาโกรธเก่งสังเกตดูเถอพวกเข้าวัดเนะี่ยพวกเก็บกฎกลับมาบ้านนะ่าร้ายกว่าเปล่าอีกร้ายกว่าคนทั่วๆไปอีกหนูร้ายกระหายเลือดนั่นชาวาพูดเราเนะีคอยรู้สึกตัวอย่าไปน้อมใจให้ซึมๆซึมๆึมเฉยไม่ได้อีกพวกหนึ่งที่ทําให้ไม่สามารถรู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริงได้ก็คือพวกที่เพ่งเ่าไว้พวกบังคับกายบังคับใจกําหนดกายกําหนดใจหลังๆนี่พวกเราหัดกรรมฐานกําหนดกันมากนะกําหนดกันใหญ่เลยรู้ลมหายใจก็เรียกว่ากําหนดลมหายใจรู้ท้องฟองยุบเพื่อเรียกกําหนดท้องฟองยุบกาหนดยกเท้าย่างเท้ากําหนดไปหมดเลยกําหนดปรากดกดเอาไว้ข่มเอาไว้สติไม่ได้ไปว่ากําหนดสติคือความระลึกได้ ถ้าหากเป็นสติปัฏฐานก็ะระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกายะระลึกได้ถึงความมีอยู่ของจิตใจเรียกว่าความะระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ากําหนดถ้าเมไรเราอยากปฏิบัตินะเราก็เพ่งน้อยให้ใจน้อมนิ่งอยู่ในอารมณ์มเดียวกําหนดไปเรื่อยหนดลมหายใจนะกำหนดท้องกําหนดเท้ากําหนดมือกาหนดอิริยาบถสี่กำหนดไปเรื่อยก็คือเพ่งอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ การกำหนดจิตให้น้อมไปอยู่ในอารมณ์ัเดียวมีสั์เฉพาะเรียกว่าอารมณูปนิชฌานอารมณูปนิชฌานเป็นการทำสมถกรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานที่จะทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ต้องทำวิปัสสนาให้เป็นถ้าทำแต่สมถะนะศา ส, สนาพุทธก็ยังด้อยเกินไปเพราะสมถกรรมฐานมีมาก่อนพระพุทธเจ้ามีแต่วิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นแหละที่มีในศาสนาพุทธ วิปั ส, สนาแปลว่าการเห็นอย่างวิเศษเลยปัสนะแปลว่การเห็นวิปั ส, สนาคือการเห็นอย่างอย่างยอดเยี่ยมการเห็นความจริงอย่างวิเศษเลยความจริงของอะไรความจริงของกายของใจไม่ใช่เห็นอย่างอื่นด้วยนะความจริงของกายของใจคือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราภาวนาแล้วเราเห็นอันนี้จังทุกข์งอนัตตาของกายของใจเราถึงจะเรียกว่าทำวิปัสนายูแต่ถ้าหากเราไปเพ่ง รื้ลมหายใจก็เพ่งลมหายใจรู้ท้องคองยุบก็เพ่งท้องนะรู้เท้าเพ่งเท้ารู้มือเพ่งมือรู้อะไรก็เพ่งอันนั้นอันนั้นไม่ใช่พิพัสนาพอเพ่งเนี่ยมันจะนิ่งกายก็นิ่งใจก็นิ่งจเจ้าไตร ล, ลักษที่ไหนมาให้ดูนะไม่มีไตร ล, ลักให้ดูกายก็นิ่งใจก็นิ่งไปหมือบางคนนิ่งมากนะเมื่อสองวันนี้ก่อนที่หลวงพ่อจะปิดวัดก็ ม, มีพระ หอบผิวพระมาด้วยกันฝึกกําหนดมาหนักนาสาหัสเลยกําหนดจนไม่รู้เรื่องอ่ะท่านใจลอยแบบนู้เลยนั่งฉันเข้าวนื้ําลายยืดเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วถ้าพระอรหันต์น่าสงสารอย่างนั้นคงไม่มีใครเขาอยากปฏิบัติหรอกพวกหมอนะจะเข้าใจดีเลยพวกหมอโรงพยาบาลบ้านะเคยบอกหลวงพ่อว่าไม่ชอบนักปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติแล้วบ้าเยอะ มาสร้างปัญหาให้กับหมอมากมายเลยฉะนั้นปฏิบัติผิดหรอกส่วนใหญ่ไปปฏิบัติ เ, เพ่งน้อยนะเพ่งกายเพ่งใจบังคับกายบังคับใจจนมันเครียดไปหมดเลยเครียดหนัหนกๆสติแตกทนไม่ไหวเครียดจัดวิปัสสนาจริงๆต้องไม่เครียดจิตที่เครียดนั้นเป็นอกุศลจิตจิตที่เป็นกุศล น, นะจะโปร่งโล่งเบารู้ตื่นเบิกบานสงบสอาสว่างสงบไม่มีตรงไหนเลยที่เป็นความเครียด จิตที่เครียดเป็นอกุศลจิตนะตระกูลโทสะโมรจิตดงั้นถ้าภาวนาเราเครียดเๆนะส่วนมากพวกที่กําหนดน ะ, ะเกลียดกําหนดมันกดนั่นเองกดเอาไว้มากๆก็เครียดเก็บกดดังนั้นเราภาวนาเราไม่ได้เก็บกดเราปล่อยให้กายมันทํางานแล้วเราตามรู้ปล่อยให้จิตมันทํางานแล้วเราตามรู้เราทําตัวเป็นแค่คนดูดูไปเรื่อยๆดูไปจนวันหนึ่งเราเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจกายนี้ไม่เที่ยงหรอกร่างกายนี้ เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจออกแล้วก็หายใจเข้ายืนแล้วก็เดินแล้วก็นั่งแล้วก็นอนนะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดนิ่งกินอาหารเข้าไปแล้วก็ขับถ่ายมีแต่ความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาดนั้นเราเห็นมีแต่ความไม่เที่ยงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคอยรู้สึกรู้สึกอยู่ที่กายเราก็เห็นกายมันไม่เที่ยงนะกายที่ถูกความทุกข์บีบขั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่กับทุกข์รู้สึกไหม นั่งให้สบายเลยนะชวนนั่งให้สบายเลยแต่ละคนนั่งกัดสม่าสบายก็นั่งไปเลยนะซื้อก็อี้ตัวละแสนมานั่งนึกว่าจะสบายเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วนั้นกายเนี่ยมันทุกข์อยู่โดยตัวของมันเองอยืนเดินนั่งนอนไม่มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลางั้นเรารู้สึกอยู่ที่กายเราจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานานๆก็ป่วยหนักทีหนึ่งก็ขเข้าโรงพยาบาล ปกติก็เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆแต่เราไม่รู้ว่าเจ็บป่วยอยู่เช่นนั่งแล้วมันเมื่อยมันปวดมันเมื่อยมันหิวมันกระหายมันหนาวมันร้อนอะไรอย่างนี้มีแต่ความทุกข์ล้วนๆอย่างนั้นเนื้อถ้าเราเคยรู้สึกนะรู้สึกอยู่ที่กายเห็นมันเลื่อนไปเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือมันไม่เที่ยงเห็นมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ของดีของพิเศษไม่ใช่ของที่น่ารักดูลงไปในกายไปเรื่อยๆแล้วเห็นไหมกายมันเป็นวัตถุเป็นต้อนธาตุ เวลาจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้เราจะเห็นในร่างกายนี้เป็นวัตถุเท่านั้นเองนะเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นเองหุ่นยนต์ตัวนี้เคลื่อนไหวได้ยืนเดินนั่งนอนได้นะทำงานได้กระดุกกระดิกได้และมันเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าเป็นเปลือกที่จิตมาใส่อยู่ชั่วครั้งชั่วคราวที่เรามีสติรู้ลงที่กายเราก็เห็นกายมันเปรี้ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเราเป็นแค่วัตถุ มีวัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจออกหยใจเข้าอะไรหมุนเวียนไปเรื่อยจะเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจะเห็นในกายนี้น้าหน้าเบื่อกายนี้เต็มไปได้วยความทุกข์บีบคั้นใจจะคลายความยึดถือกายลงไปถ้าเราไม่ยึดถือกายนะต่อไปเราก็ไม่ถูกขเพราะกายร่างกายนี้ต้องแก่ร่างกายนี้ต้องเจ็บร่างกายนี้ต้องตายหนีไม่พ้นทุกคน ถ้าเรายึดถือกายว่าตายนี้เป็นตัวเราใช่ั้มมันก็กลายเป็นเราแก่เป็นเราเจ็บเป็นเราตายพอเราจะแกะ่เราจะเจ็บเราจะตายเราก็ทุกข์สิเพราะมันเป็นตัวเราแต่พอเราจเจริญสติมากเข้ามากเข้าเราเห็นนะกายมันไม่ใช่ตัวเราเหรอกเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุอันหนึ่งเท่านั้นวัตถุมันเจ็บมันแก่มันตายอะไรเรื่องของมันะใจไม่เกี่ยวนี่ฝึกไปนะใจเพอเราไม่ยึดถือกายเราก็ไม่ทุกข์เพราะกายแล้ว ดูจิตใจของเราบ้างจิตใจของเราก็เคลื่อนไหวเป ล, ลี่ยนแปลงตลอดเวลาดูใจเราสิหยุดนิ่งไหมเห็นไหมนั่งฟังหลวงพ่อรู้สึกไหมใจไม่ได้หยุดนิ่งเลยเดี๋ยวก็วิ่งมามองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังฟังได้สองสามคำสลับไปคิดล่ะฟังไปคิดไปไม่ได้ฟังอย่างเดียวดูออกไหมใครฟังอย่างเดียวบ้างเ ม, มื่มีเหนไหไม่มีใครฟังอย่างเดียวแค่จันหนองหาน้ำมาให้กินหน่อย รู้ส uhm ึกไหมตอนนี้ใจหนีไปดูอาจารย์หน่องนึกออกไหมใจเราหนีไปแล้วเราลืมตัวเราเองเห็นไ้ใจนี่เคลื่อนที่ตลอดเวลานะเดี๋ยววิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปคิดใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็สงบรู้สึกไหมตอนนี้สงบรู้สึกไหม ตอนที่ดูจะน่องตะเกียใจกระเจิดกระเจิงไปใจฟุ้งซ่านเะนี่ยแต่ละขณะแต่ละขณานะจิตจะแสดงไตรลักให้ดูตลอดเวลาเลยอย่างคนที่ใส่เสื้อเป๊ปซี่ทํามานั่งฟังหลวงพ่อทำเป็นยิ้มยิ้มใจลอยไปแล้วใจมันหนีไปสังเกตไหมตอนที่หลวงพ่อหยุดพูดจิตหนีไปไหนจิตทํางานตลอดเวลาใช่ไหมดูขวดน้ำมัง่งมันน่าดูเลย น่าดูเลยนะรู้สึกไหมใจมันวิ่งไปอยู่ที่นี่รู้สึกไหมหรือเห็นอนาะจารย์นหนองมันหลอกแค่ไหนจะไปดูมันนะใจเราวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาใจเราไม่เคยคงที่ใจเราฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆนะซ่างไปทางตาสร้างไปทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายสร้างไปคิดเดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็หนีไปคิดหนีไปเรื่อยๆถ้าเรามีสตินะเราเคยรู้ไปจิตใจนี้เคลื่อนไหวตลอดเวลาจิตไม่เคยอยู่นิ่ง จิตที่เล่นไหวตลอดเวลาเนี่ยมันก็คือแสดงความไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ถูกความทุกข์บีบคั้นนะจิตใจเราเนี่ยมันมีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาถ้าเราหัดสังเกตนะเราจะเห็นว่าความอยากเนี่ยเกิดขึ้นในใจเราตลอดเวลาเลยเช่นเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังอยากได้กลิ่นอยากรู้รสอยากรู้สัมผัสทางกายอยากรู้เรื่องก็หนีไปคิดอยากปฏิบัติธรรมก็ลงมือกําหนดเมันมีความอยาก บีบคั้นจิตใจเราอยู่ตลอดเวลาให้มีสตินะคอยรู้ทันใจมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาใจไม่ได้มีความสุขจริงที่เราบอกว่ามีความสุขมีความสุขนั้นเพราะเรายังไม่เห็นความจริงของมันแล้วจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้อย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมเอาลองตั้งใจมองหน้าหลวงพ่อซิมาม า, มาสบตากันปิ้งปิ้งมาดูออกไมว่ามันจะไม่ได้มองอย่างเดียว มองๆ อ, อยู่นะเดี๋ยวใจก็ฉลาดไปที่อื่นฉลาดไปคิดทางอื่นเนี่ยตอนนี้อย่างคุณเสื้อดับเนะนี่ยใจหนีไปคิดละเราไม่ได้ดูอย่างเดียวเราสั่งจิตไม่ได้นะยกเว้นเพ่งยกเว้นเพ่งอย่างคุณที่ใส่ไท่อันนี้จ้องหลวงพรอแนละ้วเพ่งมาอย่างนี้นะจิตก็จะนิ่งๆงั้นเพ่งเนะี่ยใช้ไม่ได้อย่าไปเพ่งไว้ถ้าเราไม่เพ่งนะเราจะเห็นไตรลักษณ์ถ้าเราเพ่งเราจะไม่เห็นไตรลักษณ์ น้นต้องเลิกเพ่งให้ได้นะนักปฏิบัติชอบเพง่งเพ่งแล้วก็นิ่งนิ่งแล้วก็ไม่มีใจรักให้ดูถ้าไม่เพง่งปล่อยจิตใจให้เป็นธรรมชาติปล่อยร่างกายให้เป็นธรรมชาติแล้วมีสติตามดูไปร่างกายแสดงใจรักจิตใจก็แสดงสจรักจิตใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่มันไม่เที่ยงจิตใจนะถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลามันมีความทุกข์นะมันทนอยู่ไม่ได้หรอก อย่างเรามีความสุขแนละ้วเราก็อยู่ได้ชั่วคราวใช่ไหมความสุขก็ทนอยู่ไม่ได้สลายตัวไปมีความทุกข์ความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายไปเนี่ย <Yeah. S 1> สุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเรื่องแต่ของชั่วคราวเท่านั้นเลยที่หมุนมาในใจเรานะหมุนเวียนเข้ามาแล้วก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ทนอยู่ไม่ได้หายไปนี่แสดงความไม่เที่ยงให้ดูนะแล้วเราบังคับไม่ได้เราสั่งจิตเราไม่ได้นะว่าจงมีแต่ความสุขนะความทุกขมันจะมาห้ามมันไม่ได้เราสั่งว่าจงมีแต่ความดีเนี่ย จิตใจมันจะโลภมันจะโกรธ จ, จะหลงเห็นไหมเราห้ามมันไม่ได้จิตใจเป็นของบังคับไม่ได้เนี่ยเฝ้าดูไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็จะเห็นว่าจิตใจบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเฝ้าดูอย่างนี้นะนี่เรียกว่าทำมีปรัสนาค่อยรู้สึกกายไปนะเห็นร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้าร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งนะมันทํางานไปใจเราเป็นแค่คนดูอยู่เราจะรู้สึกตันทีเลยร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริง เป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นวัตถุเป็นต้นธาตุไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงดูจิตใจก็มีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นในทุกๆสภาว ะ, ะความสุขก็ถูกบีบคั้นอยู่ได้ชั่วคราวก็ต้องหายไปจิตใจที่มีความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวก็หายไปถูกบีบคั้นตลอดเวลาทั้งความสุขทั้งความทุกข์แล้วก็เราเลือกไม่ได้ว่าจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วจิตมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเราบังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตา การที่เราฝึกมีสติรู้กายรู้ใจนะจนเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตานะเห็นซ้าแล้วซ้าอีกนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดขึ้นจิตมันจะยอมรับความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราผู้ดใดภาวนาจนเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นพระโสดาบันลนะ้วพระโสดาบันไม่ใช่คนตลาดประหลาดนะพวกเราชอบวาดพระอริยบุคคลวาดภาพพระอ ร, ริยไว้ประหลาดตลาด เช่นไม่ค่อยจะกระดุกกระเด็ดเป็นพระรารถยะต้องนั่งซื่อบือ้อเนี่ยถ้ากระดุกกระด็ดมากถือว่ามีกิเลสไม่ใช่คนพิการนี่ใช่ไ ม, ไม่ใช่ฝึกให้เป็นคนที่การอย่างพระสารีบุตรใช่ไหมท่านเดินเดินไปท่านเจอท้องล่องนะท่านกระโดดตุ๊บเลยนะกระโดดข้ามเลยท่านไม่มาคอยดูต้องดูอยู่สามชั่วโมงแล้วค่อยนึกได้ว่าจะเอาไม้มาวางอนะไรอยเงยเสียเวลาเนี่ยเราอย่าไปวาดภาพอะไรที่พิลึกพิลึกขึ้นมานะอย่าทำลาย ความเป็นธรรมดาของตัวเองจิตใจที่ดีที่สุดสําหรับการทํำพิปัฒสสนานะคือจิตของคนธรรมดานะจิตของคนธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวไร้ายมันแสดงไกรลักตลอดเวลาในพวกเราพอหักภาวนาเราชอบไปเพ่งให้นิ่งจิตที่นิ่งไม่ใช่จิตของคนธรรมดาแต่เป็นจิตของผลมของพระพรลมนะที่เฝ้าอยู่ตามโรงแรมนั่นแหลนะนะนะหน่าสงสารนะงั้นะกลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดาให้ได้ ถ้าเป็นมนุษย์ธรรมนาให้ไม่ได้นะภาวนายากที่สุดเลยส่วนใหญ่ชอบภาวนาจนกระทั่งจิตมันนิ่งไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวนะซึบื้ อ, อแข็งแข็งทื่อทื่ทั้งกายทั้งใจฉะนั้นเราทรําลายคุณสมบัติที่ดีของความเป็นมนุษย์ไปแล้วคาว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงใจสูงหมายถึงว่าใจที่เหมาะกับการเจริญปัญญาเจริญนิพพสนาเพื่อจะได้ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้น พระพุทธเจ้าไม่ได้ยกย่องเทวตาไม่ได้ยกย่องกับผมว่าใจสูงนะท่านยกย่องมนุษย์นะเพราะเราเป็นมนุษย์พวกเรามีใจสูงใจกับสูงของเราก็คือใจที่เหมาะสมกับการเจริญวิปัสนาที่สุดเพราะใจของเราเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขก็ไม่นานใช่ไหมทุกก็ไม่นานโรคโกรธโหนก็ไม่นานสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะอยู่ช่วคราวแป๊บเดียวก็หายไปแล้วในขณะที่ภพภูมอิอื่นๆื่นมันอยู่นานยกตัวอย่างอย่างสัตว์เดรัจฉาน สัตเดรัจฉานนมันหลงทั้งวันจะหาขณะที่มันไม่หลงเนี่ยแทบไม่ได้เลยมันจะหลงตลอดเวลาเลยถึงเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเปรตนะเปรตมันโลภตลอดเวลาใจมันมีแต่ความโลภนะมันเหมือนกว่าความโลภมันเที่ยงเที่ยงอยู่อย่างนั้นนะโลภอยู่อย่างนั้นนะอยากโน่นอยากนี่อยู่ตลอดเวลาแม้มันไม่แสดงใจรักง่ายๆหรอกสัตว์นรกมันมีแต่ความทุกข์มันเป็นไปด้วยโทสะ นะความทุกข์บีบคั้นอยู่งั้นโทสะก็บีบคั้นอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนไม่เหมาะที่จะเจริญในปัสนาอสุรกายนะพวกนี้ยึดถือในความคิดความเห็นพวกเซลจัดนะพวกเซลจัดนะต่อไปเราอย่าไปเรียกเลยว่าพวกอีโกพวกอัตตาแรงอะไรนะเราเรียกง่ายๆอยาให้เขาได้ยินนะว่าพวกอสุรกายในสังคมเราก็เยอะนะอสุรกายเนละมันเซลจัดมันยึดถือแต่ความคิดความเห็นของมันนะไม่รู้ผิดชอบช่วยดีแล้วพวกนี้ ยึดถือในความคิดความเห็นที่ผิดๆอย่างรุนแรงนะยึดในทิฏฐิแม้ว่ายึดในทิฏฐิเมื่อนี้เป็นภูมิของอสุรกายพูดจากธรรมะไม่รู้เรื่องนะหรื อ, อยังไปเป็นเทวดานะมีความสุขแม้จิตใจมีแต่ความสุขจะดูยังไงให้มันเป็นของไม่เที่ยงอะ่ะมันก็มีความสุขอยู่อย่างนั้นใต้ร้อยปีพันปีมีแต่ความสุขเห็นไหมมันเที่ยงดูหน้าดูตาก็ไม่แก่สักทีนะสวยอยู่อย่างนั้นแหละรออยู่อย่างนั้นนะมันดูยากนะมันทำยากภากวนายากยิ่งไปเป็นพรมนะ จิตใจสงบอยู่นานเลยนานเป็นกลับๆหมดพระพุทธเจ้าไปตั้งหลายองค์นะมันก็ยังสงบอยู่อย่างนี้เห็นไหมว่าจิตเหล่านั้นในภพภูมิทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เหมาะกับการทำํำวิปัสสนาเลยจิตของพวกเราเนี่ยเหมาะกับการทำํำวิปัสสนาที่สุดเลยนั่นเราอยากทําลายจิตของมนุษย์ไปนะจงกลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดานะจงมาเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาหลายคนไปภาวนานะที่นั่นที่นี่นะเสร็จแล้วไปที่วัดหลวงพ่อนะหลวงพ่อต้องมานั่งแก้ใหม่ส่วนมากจะไปเพ่งเพ่งอยู่นิ่ง มีพวกนิ่วแบบเจออะไรกัดแหลกนะอีกพวกหนึ่งนะเนี่ยเคลมเคลมเหลวไหลมานะจกกลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดาคนไหนที่ไปภาวนาแล้วไปติดอะไรพิลึกพิลึกมานะให้นึกถึงวันที่ยังภาวนาไม่เป็นวันที่ยังไม่เคยภาวนาตอนเราเด็กๆอะ่ะจิตใจของเราตอนเด็กๆใช่ไหมมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาเั้นเด็กเรียนธรรมะง่ายนะผู้ใหญ่เรียนยากยิ่งแก่ยิ่งเรียนยากเพราะว่าเราไปดัดแปลงไว้มาก ดัง้นเราใช้จิตใจธรรมดาอย่าไปดัดแปลงมันแล้วก็ตามดูมันไปอย่างเด็กๆนั้นเราเอาไอติมไปให้มันใช่ไหมมันก็ดีใจเอี่ยงผู้ใหญ่เอามาให้มันต้องวางฟอร์มใช่ไหมอยากกินแทบตายเราต้องวางฟอร์มอย่างยิ่งเป็นพระอย่างหลวงพ่อเมื่อเห็นได้อยากกินเราก็ต้องทําเป็นสงบไว้เนะี่ยผู้ใหญ่มันมารยามากส่วนเด็กนะใจเด็กมันซื่ อ, อใจที่ซื่อๆนั่นแหะนะภาวนาง่ายที่สุดเลยนะเห็นคนนี้เกลียด <S <S> <S เกลียดเลยนะ ว่าเกลียดเกิดขึ้นเรารู้ว่าเกลียดเรามีสติรู้ทันนะมีสติรู้ทันต่างกับเด็กนิดเดียวเด็กมันโลภขึ้นมามันไม่รู้ว่าโลภเด็กมันเกลียดขึ้นมามันไม่รู้ว่าเกลียดเพราเราต่างกับเด็กนิดเดียวจิตมันโลภขึ้นมาเรารู้ว่าจิตมันโลภจิตมันโกรธขึ้นมารู้ว่าจิตมันโกรธต่างกับเด็กแค่นี้ตรงที่เรารู้ทันเท่านั้นแหละแต่เราไม่ได้เก็บกดนะส่วนมากพอเราเช่นใจมันโกรธขึ้นมาแล้วก็รีบไปดูเฉยโกรธไม่ดีนะอยัดโกรธเลย ความกโกรธเป็นสิ่งที่ไม่ดีหาทางทําให้หายกโกรธอันนี m, ้เป็นการแทรกแซงจะยิ่งทําให้เครียดมากขึ้นต่อไปความโกรธเกิดขึ้นมีสติรู้ทันดูไปใจมันโกรธไม่ใช่เราโกรธความโลภเกิดขึ้นดูลงไปเลยนี่ใจมันโลภไม่ใช่เราโลภนะใจมันโลภของมันเองไม่ใช่เราโลภใจมันหลงไม่ใช่เราหลงใจมันฟุ้งซ่านไม่ใช่เราฟุ้งซ่านใจมันหดหู่ไม่ใช่เราหดหู่ใจมันสงสัยไม่ใช่เราสงสัยดูมันไปนะ กายมันยืนกายมันเดินกายมันนั่งกายมันนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจออกหายใจเข้า่คอยดูอย่างนี้เรื่อยดูลงที่กายดูลงที่ใจเรื่อยๆวันหนึ่งเราจะพ้นทุกข์ได้ทุกข์คืออะไรทุกข์ในนิยามความทุกข์ของศาสนาพุทธนะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือกายกับใจนะความทุกข์ไม่ใช่ อ, อกหักเป็นทุกข์ตกงานเป็นทุกข์อนั่นเป็นแค่ปรากฏการณ์ ตัวที่เป็นทุกข์จริงๆก็คือกายทุกข์ใจทุกข์นีดูที่ในทุกสถานการณ์ที่ว่ามีความทุกข์อยู่อะไรเป็นทุกข์ตัวที่เป็นทุกข์นะถ้าไม่ใช่กายทุกข์ก็ใจทุกข์งั้นตัวกายนี่แหละเรียกว่าตัวทุกข์นะแลเรารู้สึกอยู่ที่กายตัวใจก็เป็นตัวทุกข์นะเราก็รู้สึกอยู่ที่ใจกายนี่ใจนี้เป็นตัวทุกข์ค่อยรู้สึกอยู่ดูไปเรื่การปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธเนี่ยต่างกับของคนอื่นคนอื่นเขามุ่งหนีทุกข์ มุ่งหลบหลีกความทุกข์มุ่งแก้ความทุกข์ก็ล้วิธีของพระพุทธเจ้านะไม่ได้ให้หนีทุกข์ไม่ได้ให้หลีกเลี่ยงความทุกข์นะแต่ท่านให้รู้ทุกข์ตรงนี้เป็นศาสตร์ที่สำคัญมากเลยนะเนี่ยหัวใจของการจรัสรู้ของท่านเลยคือท่านให้รู้ทุกข์ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการรู้คาว่าพุทธนั่นแหละแปลว่ารู้พุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นนั้ผู้เบิกบาน รู้อะไรรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงสิจิตมันจะตื่นขึ้นมาแล้วจิตมันจะเบิกบานขึ้นมาด้วยธรรมะไม่ใช่เบิกบานด้วยอารมณ์ทางโลกมายั่วให้มันเบิกบานนั่นเรารู้สึกตัวนะเรารู้สึกไปดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานเห็นกายมันทุกข์เห็นใจมันทุกข์ไปเราเป็นคนดูเฉยๆเราอย่าไปอินกับมันดูเฉยๆอย่าไปอินด้วยถ้าเราไม่อินกับมันเราจะไม่ทุกข์ด้วยแต่ถ้าเราอินกับมันเมื่อไหร่เราจะทุกข์ด้วยเช่นเราไม่สบายอยู่ในโรงพยาบาลคนป่วยเยอะแยะใช่ไหม เห็นไหมคนพอร่างกายเจ็บป่วยจิตใจจะเจ็บป่วยไปด้วยหมอต้องไปดูแลเรื่องสุขภาพจิตอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัตินะเป็นชาวพุทธแท้จริงร่างกายเจ็บป่วยแต่จิตจะไม่เจ็บป่วยเราจิตใจเรามีภูมิคุ้มกันนะเห็นตั้งชื่อเรื่องอะไรวัรคซีนความความสุขหรือความทุกข์ความทุกข์นะเออมีวัคซีนประเทนเรามีสติมีปัญ ญ, ญา น, นี่แหละจิตใจเราจะต้านทานความทุกข์ไดนะ้ความทุกข์ไม่เข้ามาครอบงำใจ ความทุกข์เหลือแต่ร่างกายนะอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นเราต้องฝึกเ่านะพวกเรามีบุญเพราะเรามีวาสนามากที่เราได้ฟังธรรมะนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของอัศจรรย์ที่สุดถ้าเราภาวนาเป็นนะเราจะรักพระพุทธเจ้าที่สุดเลยท่านทําไมท่านคนา้นคว้าธรรมะที่อัศจรรย์ขนาดนี้มาได้ใครๆเขาก็สอนให้หนีทุกท่านสอนให้รู้ทุกใครๆเขาก็สนองความอยากเห็นไหมทุกคนพยายามสนองความอยาก อย่าเราดูโฆษณาสินค้าเราก็อยากได้ไประหยากได้แล้วก็ต้องรีบไปหาเงินไปกู้เข้ามาบ้างไปใช้บัตรเครดิตบ้างใช้อะไรบ้างไปเล่นแชร์บ้างเนี่ยเราเพื่อจะสนองความอยากเพราะพระเจ้าไม่ให้สนองความอยากถ้าให้คอยรู้กายคอยรู้ใจด้ว่อยวันหนึ่งความอยากจะหมดไปเองความอยากเนี่ยถ้าพูดอย่างรวบย่อมันอยากอะไรมันอยากให้ร่างกายมีความสุขอยากให้ร่างกายพ้นทุกข์อยากให้จิตใจมีความสุขอยากให้จิตใจพ้นทุกข์ มันก็แค่อยากเอาความสุขอยากผลักความทุกข์ออกไปความอยากมันก็มีอยู่เท่านั้นเองทีนี้ทุกข์มันอยู่ที่กายที่ใจนะถ้าเมื่อไรเรารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งไม่ยึดถือในใกายในใจนะความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากจะให้กายให้ใจเพ้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นอีกและ้ะงั้นรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไรนั้นเราจะละปัญหาละความอยากได้อัตโนมัติแล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกนึกว่าละเป็นสมุทเฉิเลยไม่ใช่ละเป็นก่าบนะที่ท่านบอกทุกข์ให้รู้สมุไทยให้ละ ถ้ารู้ทุกได้เมื่อไหอไร่นะสมุทัยจะตกละอัตโนมัติความอยากจะไม่เกิดขึ้นถ้าความอยากไม่เกิดขึ้นอะไรจะไม่เกิดความบีบคั้นทางใจจะไม่เกิดถ้ามีความอยากเกิดขึ้นความบีบคั้นทางใจจะเกิดขึ้นเนื้อถ้าเรารู้ความจริงของกายของใ จ, จแจ่มแจ้งหมดความอยากนะความบีบคั้นในใจจะไม่เกิดขึ้นอีกนะเราเข้าถึงความปนทุกข์เรียกว่านิโรธหรือนิพพานนิพพานมีจริงๆนะนิพพานไม่ใช่นิยายหลอกเด็ก นิพพานไม่ใช่สภาวะในอุดมคติที่พระพุทธเจ้าสร้างขึ้นมาหลอกลวงแต่นิพพานมีจริงๆนิพพานไม่เคยหายไปไหนเลยนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่แหละแต่จิตใจของเราไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็นนิพพานถ้าเราภาวนาให้สุดขีดจริงๆนะเราจะเห็นนิพพานเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตานิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่ง พ้นจากกิเลสพ้นจากขันนะจิตที่เข้าไปรู้นิพพานแล้วไม่ไปยึดถือในกายในใจไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกไม่ยึดถือกระทั่งนิพพานจิตใจยังมีแต่บรมสุขเต็มเปี่ยมอยู่อย่างนั้นนีจิตใจจะเข้าถึงความสุขซึ่งลึกไม่ถึงจริงๆเลยอัศาจรรย์ที่สุดเลยการที่เราคอยรู้กายรู้ใจที่เรียกว่ารู้ทุกข์นะจนวันหนึ่งมันละความอยากได้แล้วมันเห็นนิพพานได้อันนั้นแหละเรียกว่ามรร มัดคืออะไรมัดก็คือการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆนะจนเห็นความจริงเห็นใจรักจนหมดความยึดถือนั่นแหละขณะจิตซึ่งรู้ทุกแจม่มแจ้งรู้กายรู้ใจแจม่มแจ้งนะขณะจิตนั้นล้างสมุทยัยล้างปัญหาหมดล้างความอยากไปหมดเลยในขณะนั้นเห็นนิพพานขณะนั้นแหละเรียกว่าเกิดอริยมัดนะทุกสมุทัยนี่ร่นมัดเลยเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันนะไม่ใช่เกิดทีละครั้งทีละครั้งคนละคราวไม่ใช่ รู้ทุกแจ่มแจ้งเมื่อไหร่ก็ลาสมุทรไทยรรตรงนั้นก็แจ้งนิโรธตรงนั้นแล้วเกิดอริยามรรคตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรารู้ทุกไว้นะรู้กายรู้ใจอย่าลืมมันพวกเราชอบลืมกายลืมใจชอบใจลอยนะคนที่มาเรียนธรรมะกับหลวงพ่อตอนนี้นะที่หัดรู้สึกตัวรู้สึกตัวจิตตื่นขึ้นมามีเป็นหมื่นแล้วตอนนี้ที่สามารถตื่นขึ้นมาได้รู้สึกตัวขึ้นมาเป็นหลุดออกมาจากโลกของความคิดหลุดออกจากโลกของความฝันได้ คนทั้งโลกนี้ตื่นเฉพาะร่างกายนะตื่นจิตใจไม่เคยตื่นเลยจิตใจของคนในโลกนะี่หลงอยู่ในความคิดหลงอยู่ในความฝันตลอดเวลานะอย่างคุณแถวที่3ามนะี่เห็นใจกำลังฝันไปแล้วนะผู้ชายนะนะใจมันหนี้หนีไปเนี่ยคุณที่ใส่ไทยนี่ก็ใจก็ฝันไปแล้วใจมันฝันใจมันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดมันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดมันลืมกายลืมใจนไม่ได้ทำวิปัสสนาล นั้นสิ่งแรกที่พวกเราต้องหัดนะหัดรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปได้่อใจลอยแล้วรู้ทันใจลอยแล้วรู้ทันนะต่อไปเราจะรู้สึกตัวเรารู้สึกตัวบ่อยๆเราก็จะเห็นความจริงของกายของใจบ่อยๆก็ เ, เห็นความจริงของกายของใจบ่อยๆวันหนึ่งก็เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตาไม่ใช่ตัวเราเข้าใ จ, จแจ่มแจ้งเต็มที่นะก็หมดความยึดถือกายยึดถือใจนะ ก็จะไปเห็นนิพพานนะมีแต่ความสุขล้นล้นเมนี่เทศตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่กกไก่ยันหอนุภูกเลยนะนันอยู่ที่พวกเราแล้วนะธรรมะก็บอกให้อย่างเปิดเผยถ้าพูดสำนวนหนังสือพิมพ์บอกหลวงพ่อเทศแบบโงคลุ้มนะเทศแบบเทกระเป๋าเทย่ามให้หมดเลยนะนั่นหน้าที่ของเรารู้ตัวรู้สึกตัวนะแล้วก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทางาน อย่าเอาแต่คิดคิดฝันฝันอย่าเอาแต่ใจลอยเวลาคิดถึงการปฏิบัติก็อย่ามัวแต่กําหนดอย่ามัวแต่เพง่งอย่ามัวแต่บังคับกายบังคับใจให้นิ่งมัวแต่ไปบังคับให้นิ่งมันไม่แสดงใจรักษณ์มีพระใบเลียงกะหลวงพ่อนะท่านภาวนาหลายปีนานมากเลยทำสมาธิอย่างเดียวเลยท่านบอกว่าทำไมท่านไม่เดินปัญญาจิตมันไม่ยอมเดินปัญญาเขาบอกท่านเพ่งเอาไว้ท่านไม่เดินปัญญาหรอกฟังทำไปให้นั่งฟังไปเรื่อยๆนะฟังไปฟังไป ถือว่านี่ใจท่านตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดได้ท่านบอกเข้าใจละวท่านเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแล้วมันต้องเป็นผู้รู้นะคือรู้กายรู้ใจพอรู้แล้วเราจะตื่นขึ้ น, นมาเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้ตื่นทันทีที่จิตตื่นนะจิตจะเบิกบานนี่แหละคือคํอควาว่าพุธธทธะเราจะเป็นผู้รู้เราจะเป็นผู้ตื่นเราจะเป็นผู้เบิกบานคนทั่วๆวไปไม่ใช่ผู้รู้แต่คนทั่วๆไปเป็นผู้หลง หลงไปทั้งวันหลงไปทั้งคืนหลงไปไหนหลงไปคิดส่วนใหญ่จะหลงไปคิดงั้นเราคอยรู้สึกตัวนะจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตแอบไปคิดคอยสังเกตนะจิตของเราคิดตลอดเวลาดูออกไหมนั่งฟังหลวงพ่อพูดนะฟังสองประโยคยังไม่ทันจบประโยคนี้จิตก็แอบไปคิดทีหนึ่งไปคิดอะไรก็คิดเรื่องที่หลวงพ่อพูดเห็นมไหมจิตมันสลับไปคิดตลอดเวลาหัดรู้สึกนะหัดรู้ไปจิตนี้ไปคิดเรารู้จิตหนี้ไปคิดเรารู้ฝึกอย่างนี้ได้่อย เนี่ยขั้นต้นเลยฝึกแบบนี้ไว้จิตแอบไปคิดเรารู้จิตแอบไปคิดเรารู้ให้กันบ้านแล้วนะชาวโรงพยาบาลกลางหรือโรงพยาบาลอื่นแอบมาฟังด้วยก็เอาไปทําได้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ดูออกไหมหลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บจิตไปเลยรู้สึกไหมจิตไปคิดเลยนะคิดอุตรุดเลยค่อยๆหัดสังเกตนะไม่ยากหรอกหัดสังเกตไปการที่เราหัดสังเกตสภาวะมากๆเราไปจิตเราจะตื่นขึ้นมาเราจะมีสติที่แท้จริงขึ้นมา ดูออกไหมพอหยุดพูดปุ๊บจิตไปแล้วนะจิตไม่ได้ฟังเนะีลยพอหยุดพูดจิตก็ไม่ได้ไปฟังเลยจิตก็ไปนหนีไปคิดสิดูออกไหมหนีไปคิดพวกที่ไม่หนีไปคิดก็เหลือแต่พวกที่ไปเพ่งไว้บางคนก็ไปจับเข้าไปที่ลมหายใจเพ่งลมหายใจไว้งั้นถ้าใครเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะการภาวนาจะสั้นนิดเดียวเพราะสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนะี่คือวิธีการเจริญสติ จนกระทั่งเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจแล้วก็ไม่ยึดถือกายยึดถือใจมันไม่ยึดของมันเองหัดมีสตินะคอยรู้ทันตัวเองเรื่อยเรรู้ทันรู้ทันไปรู้ไปอย่างสบายสบายอย่าไปเพ่งไว้ถ้าเพ่งไว้ใช้ไม่ได้ไกายก็นิ่งใจก็นิ่งรู้สึกรู้สึกไปเรยฟังครั้งแรกยากยากมากถ้ายากมากนะพยายามหาซีดีไปฟังนะฟังเขาก็มีแจกอาจจะไม่ทั่ว แต่ซีดีหลวงพ่อเยอะนะทุกวันนี้เต็มไปหมดแล้วพยายามหาฟังบางคนมีอยู่แผ่นเดียวฟังทุกวันทุกวันจิตตื่นขึ้นมาบางทีสามีฟังภรรยาตื่นก็มีนะอมีหลายบ้านเลยพอขึ้นรถก็เปิดซีดีหลวงพ่อเปิดไปเปิดไปนะขับรถอยู่ใจลอยลูกนั่งอยู่ในรถลูกบอกเลยพ่อพ่อใจลอยไปแล้วเด็กมันเริ่มรู้สภาวะ พยายามฟังนะฟังไปเรื่อยๆในที่สุดจิตจะตื่นขึ้นมาธรรมะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนะฟังยากฟังยากมากนะถ้าคิดจะฟังให้รู้เรื่องแต่ถ้าทําใจให้สบายฟังเล่นๆไม่นานเราก็จะตื่นขึ้นมาแล้วเราจะรู้ธรรมะด้วยตัวของเราเองแล้วจะคอยรู้สึกนะอย่างฟังหลวงพ่อแล้วใจมันสงสัยอย่างคุณแถวที่สมเนี่ยใจมันสงสัยขึ้นมาเราก็รู้ทันว่าจิตมันสงสัยนะ เห็นไหมคนอื่นอยากจะดูว่าคนไหนอยากดูใช่ไหมจิตก็วิ่งไปที่เขามันลืมตัวเราเองเราก็รู้ทันว่าจิตเราหลงไปแล้วนะไม่ยากนะไม่ยากอะไรหรอกหัดรู้สึกรู้สึกไปหลวงพ่อฝึกอยู่ไม่นานเท่าไหร่นะะนั้นเอาซีดีไปฟังนะฟังถ้าไม่ได้รับแจกก็ไปดาวน์โหลดเอาจากวิมุตติ .net นะมีให้ฟังเยอะแยะฟังแล้วก็ไม่ต้องรู้เรื่องเราไม่ได้เรียนปริยัต ปฏิยัติต้องฟังให้รู้เรื่องต้องจดเลคเชอร์ด้วยนะต้องจดไว้แล้วจะได้ท่องเอาไว้จำเอาไว้แต่ผู้ปฏิบัติไม่ได้ฟังอย่างนั้นผู้ปฏิบัติฟังหลวงพ่อแล้วสังเกตจิตไปเลยเช่นฟังหลวงพ่อแล้วก็งงขึ้นมาแล้รู้ว่ากําลังงงอยู่ฟังแล้วมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขฟังแล้วชักซึมซึมรู้ว่าซึมซฟังแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นฟังไปเรื่อยๆนะจิตจะตื่นขึ้นมา นี่มีคนมาบอกนะว่ามีวัดบางแห่งนะเอาซีดีหลวงพ่อไปขายด้วยนะเราแจกเอาไปขายต่อมีเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ว่ากันนะอย่างน้อยก็คนยังได้ฟังพยายามฟังไปฟังไปแล้วก็สังเกตจิตไปถ้าต่อไปจะให้ถามสังเกตไห้จิตวิ่งไปอยู่ที่คุณจูน <c oughs> จูนนี่สังกัดค่ายแกลมมี กลับนมัสการหลวงพ่อค่ะดิฉันจะขอเรียนถามหลวงพ่อว่าจิตของดิฉันตื่นแล้วก็เป็นกลางหรือยังคะมันเริ่มตื่นนะแต่ยังติดเพ่งอยู่ยังกดอยู่นิดหน่อยมันเริ่มตื่นแล้วล่ะแต่ยังไม่เต็มที่รู้สึกไหมจิตตอนนี้เป็นยังไงเห็นความกระวนกระวายไหมเห็นค่ะรู้ตันจิตมันกระวนกระวายเราไม่ได้กระวนกระวายเราเป็นแค่คนดูนะเนี่ยฝึกตัวอย่างนี้เลยได้ ตอนนี้จิตน hmm. ี้ไปคิดทราพไหมจิตไปคิดหมจิตม <the> ันไหลไปคิดแล้ว <bei> ก <the <the> ็รู้ทันว่าจิตไปคิดอยากพูดรู้สึกไหมเห็นแรงดันไหมมันจะมีแรงดันขึ้นมาที่กลางหน้าอกเนี่ยเดี๋ยวนี้นะพวกจิตแพทย์นะใช้วิธีแก้ปัญหาง่ายๆเลยคนไข้บางคนรักษายากนะหมอสั่งยาหลายปีไม่หายเริ่มแจกซีดีหลวงพ่อแล้วฟังไปฟังไปหายได้นะ ยกเป็นพวกที่เป็นเพราะสมองผิดปกตินะถ้าเป็นเพราะระบบประสาทเนี่ยไม่หายนะถ้าเป็นเพราะต่างจิตใจแล้วหายได้น้องไหวกราบขอบพระคุณหลวงพ่ออยา่าไปกดไว้ปล่อยจิตให้เป็นธรรมดานะของคุณเริ่มใช้ได้ล้วปล่อยให้เขาทํางานแล้วเราตามดูเข้าไปกระผมขอถามว่าขออุบายพระเดชพระคุณที่จะลดความเพ่งของกระผมครับโยมต้องเลิกปฏิบัติไป ต้องใจถึงคนไทยไปแปลคําว่าปฏิบัติผิดล่ะเราไปแปลปฏิบัติว่าทำรังนั้นทุกครั้งที่เราคิดถึงการปฏิบัตินะเราก็จะคิดขึ้นมาทันทีว่าทำยังไงแล้วจะดีทํำยังไงแล้วจะตื่นทํำยังไงแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานเราอยากทํำปฏิบัติจริงๆแต่ว่ารู้อยู่เฉพาะหน้าคำว่าปฏิแปลว่าเฉพาะนะบัตคําว่าบัติเนี่ยแปลว่าถึงถึงเฉพาะรู้เฉพาะรู้สึกกายรู้สึกใจดูกายดูใจทํางาน อย่าไปบังคับกายบังคับใจเราบังคับกายบังคับใจเพราะเราอยากให้มันดีต้องปล่อยซะอย่าอยากดีรักดีหามจวด่วหนักนะอย่างตอนนี้ใจเราแอบไปคิดทราัไหมเพ่งอยู่จะไม่เห็นนะเพ่งลืมการปฏิบัติซะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาถือศีลห้าไว้ศีลห้าจำเป็นนะใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาแล้วใจเราจะเบี่ยงขึ้นเบียงลงตลอด เช่นเราเห็นคนนี้เรามีความสุขเราเห็นคนนี้เรามีความทุกข์เราเจอแต่ไฟแดงใช่ไหมเราก็หงุดหงิดเราเจอไฟเขียวเราก็ดีใจนที่เราภาวนาได้ทางนั้นนี่เราคอยรู้ทันความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆดูเล่นๆอยากคิดว่าเราจะภาวนาอย่าคิดเรื่องปฏิบัติเลยให้คอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆรู้เล่นๆไปต่อไปมัจะเลิกเพ่งขอบคุณครับหลวงพ่อเสียเวลาเพ่งอยู่ยี่สิบสอปีตั้งแต่เด็กๆนี่แหละ ย, ยังอยู่ ถนนบริพัตรเนี่ยบ้านดอกไม้นะตรงนี้แหละตอนเด็กๆอายุเจดขวบพ่อพาไปกราบท่านพ่อรีที่วัดอโศการามหลวงพ่อเลยเป็นลูกศิษย์ท่านพ่อรีนี่ไปเรียนกับท่านได้สองสาปีท่านก็สิ้นไปเราเด็กเล็กนะท่านก็สอนแต่สมถะท่านยังไม่ได้ขึ้นวิปัสนาให้ไม่ได้สอนหลักของวิปัสนาทําแต่สมถาถะนะหลวงพ่อเพ่งเก่งนะเพ่งลูกเดียวเลยเพ่งแล้วพรใจก็นิ่งๆอย่างนะี้นะ เจอเดี่ยวถ้าอายุ29่สเก้ี่เพ่งอยู่22ปีอายุ29ถึงไปเจอหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลสอนง่ายๆเลยบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองอ่านจิตตนเองให้เป็นคนอ่านไม่ใช่ให้เป็นนักประพันธ์ไม่ให้เป็นผู้กํากับด้วยนะให้เป็นคนอ่านเฉยๆไม่ใช่นักวิจารณ์ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ถูกอันนี้ผิดนะีให้รู้เฉยๆหลวงพ่อก็หัดดูจิตดูใจนะดูไปเรื่อยๆมันไม่ยากหรอก นีถ้าเราเพ่งอยู่เราก็ไปต่อไม่ได้กาบนมัสการหลวงพ่อนะคะก็ อ, อยากถามว่าเออลูกควรภาวนาอย่างไรหรือว่ามีอุบายอย่างไรที่เหมาะกับลูกนะคะการภาวนาจริงๆเนี่ย น, นะคือการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแล้เราต้องหัดรู้สึกต้องหัดมีสติก่อนสติเป็นเครื่องมือในการรู้กายรู้ใจวิธีที่จะทำให้สติเกิดนั้นก็คือจิตจะต้องจาสภาวะได้แม่น จิตจะจําสภาวะได้แม่นถ้าจิตเห็นสภาวะบ่อยๆคุณลืมคําว่าปฏิบัติสะนะแล้วก็คอยรู้สภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจเราเนื่อใจเราแอบไปคิดก็รู้ใจเราเป็นสุขเป็นทุกข์ใจเรามีโลภโกรธหลงอะไรขึ้นมาค่อยรู้ลูกเดี๋ยวหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆถ้าวันหนึ่งสติแท้ๆจะเกิดขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานะอย่างคุณผู้ชายที่ส่งกันบ้านเสร็จตะเกียร์รู้สึกไม้มเริ่มกดอีกแล้ว เลิกซะตอนนี้ต้องเลิกนะตัวนี้ขวางมิปั ส, สนาอยู่ขนะองคุณใจลอยคนที่สามใจลอยไปแล้วทราบไหมพอหลวงพ่อหันไปคุยอยู่คนนี้หนีไปเลยเห็นไหมออกนอกโรงพยาบาลไปแล้วนะอย่ารู้สึกรู้สึกรู้สึ ก, ส ก, สกแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมอย่าบังคับตัวเองนะปล่อยให้มันทํางานรู้สึกไหมเราเพ่งอยู่ตอนนี้รู้สึกไหมเรากดให้มันนิ่งอย่า ก, กดให้นิ่งนะเลิกซะ การเพ่งให้นิ ion. ่งการกำหนดเอาไว้การกดเอาไว้ก่มเอาไว้ควบคุมเอาไว้บังคับเอาไว้นะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอัตตะกิลมัทฐานโยกเคยเรียนไหมการที่เราหลงตามกิเลสเพลอเพลินไปเรื่อยเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคการที่เพ่งกายเพ่งใจบังคับกายบังคับใจกำหนดกายกำหนดใจนะทำกายให้ลําบากทําใจให้ลําบากเขาเรียกว่าอัตตะกิลมัทฐานโยค สองสิ่งนี้นะคือหลงตามกิเลสกับบังคับไว้ในีสองสิ่งนี้แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้เว้นซะแล้วมีสติรู้สิ่งซึ่ ง, งกําลังปรากฏขึ้นในกายในใจอย่างเป็นปัจจุบันมีสติรู้ลงปัจจุบันไปเช่นใจเราหนีไปคิดไหมการหนีไปคิดในปัจจุบันรู้ว่าหนี่ไปคิดใจมีความสุขกําลังมีความสุขอยู่รู้ว่ามีความสุขนะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆแล้วสติมันจะเกิดขึ้นมานะไม่ยากหรอก หลวงพ่อฝึกไม่กี่เดือนไหมค่ะหลวงพ่อเจ้าขาแคบบ่หนึ่งนาคุณคนที่สองรู้สึกไหมเมื่อกี้เผลอไปเมื่อกี้ลืมกายลืมใจไปวูบหนึ่งรู้สึกไหมนั่นแหละเห็นไหมตัวนั้นแหละเรียกว่าขาดสติละคุณรู้สึกไหมขณะนี้จิตของคุณเบิกบานใช่ไหมตื่นขึ้นมาเนี่ยคือภาวะแห่งการรู้ตื่นเบิกบานละนะตอนนี้กลับไปสู่ภาวะแห่งการเพ่งอีกแล้วนั่นะคุณต้องเผลอนะ คุณเผลอแล้วคุณรู้ว่าเผลอจิตคุณจะตื่นนี่นแหละคือเคล็ดลับเคยมีพระองค์หนึ่งนะลูกศิษย์หลวงปู่ท่อนไปหาหลวงพ่อตอนนั้นหะลวงพ่ออยู่เมืองการท่านติดสมถะท่านติดเพ่งอย่างรุนแรงนะเพ่งจนเครียดมากเลยเส้นเลือดในสมองแทบแตกเลยไปหาหลวงพ่อนะหลวงพ่อพระองค์ น, นี้เพ่งแรงติดเพ่งมานานหลวงพ่อหลอกท่านนะชวนคุยให้ท่านเผลอพอท่านคุยๆท่านเลิกเพ่งเห็นไหมคุยแล้วมันเผลอไปบอกนี้เผลอไปแล้วนะ ท่านรู้ทันวับตรงที่รู้เนี่ยคือรู้ล่ะจิตมันรู้ตื่นขึ้นมาแล้วแต่ท่านยังจับสภาวะนี้ไม่แม่นจิตก็หลงกลับไปเพ่งใหม่เหมือนพอเผลอเรารู้ว่าเผลอนะจะกลับมาเพ่งอีกพอท่านเพ่งหนวเพ่าก็หลอกให้คุยคุยไปเรื่อยๆนะพอท่านเผลอชี้ให้ดูอีกเผลอแล้วนะท่านเห็นครั้งที่สองนะท่านก็ยังเพ่งอีกพอชี้ครั้งที่สามนะท่านตบโต๊ะเรี่ยงเลยเราด้วยจะชกเราแล้วโป้งเลเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว ง่ายนิดเดียวเหมือนเส้นผมบางภูเขานิดเดียวใจเราเผลอไปรู้ว่าเผลอส่วนมากพอเราชอบเพ่งตลอดเวลาหัดเผลอซะเผลอเลอไปถ้าใจเผลอนะเรารู้ว่าเผลอเนี่ยจะรู้ตัวได้พอดีเลยค่ะหนูรู้สภาวะทำบ้างหรือ ย, ยังเจ้าคะหลวพ่อเห็นใจที่กรบวนกวายนไหมเห็นเจ้าค่ะถ้าเห็นก็เรียกว่าเห็นสภาวะนั่นแหละ แต่สังเกตไหมเห็นขนานี้นี่เป็นกลางหรือยังไม่เป็นสิเพราะว่าอยากหายอยากหายแล้วไงนั่นแหละหัดดูสภาวะก็หัดดูอย่างนั้นแหละจิตเรากระวนกระวายรู้ว่าจิตกระวนกระวายเห็นไหมเราอยากจะหายรู้ว่าอยากเนี่ยดูไปอย่างนี้สภาวะอะไรปรากฏขึ้นสดสดร้อนๆต่อหน้าต่อตานืรู้ลงไปแต่เนี้จิตหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมรู้เจ้าค่ะนะจิตแอบไปคิด เขาคุณหลงไปคิดแล้วนะคุณนึกออกมใหมหลงไปอีกรูปแล้วแต่คราวนี้ไม่ตื่นเหมือนตะกี้คราวนี้เพ่งเอาไว้หลวงพ่อสขาะแล้วตอนกําลังมองวะสิคะเนี่ยกำกำลังกังวลกระวายแล้วแล้วดูอย่างนี้นี่โอเคไหมครับนะโอเคสิเราเห็นว่าจิตมันกระวนกระวายเราเป็นแค่คนดูนะเราไม่ได้กระวนกระวายถ้าเมื่อไหร่เราอินกับมันนะเราถึงจะกระวนกระวายไปด้วยเหมือนเราดูโทรทัศนะ์นะดอโทรทัศน์เราเห็น นางเอกถูกนางอิจฉาตกคลิ้งไปกลิ้งมาใช่ไหมเราดูเลตเราไม่อินอะ่ะเราก็ไม่มีความรู้สึกร่วมไม่ทุกข์ด้วยแต่ถ้าเรารู้สึกสวมวิญญาณนางเอกนะโห้ยคับแค้นใจเราก็ถูกบีบขั้ น, ปนไปเลยงั้นถ้าเราเห็นจิตใจมันทํางานเราเห็นร่างกายมันทํางานเราไม่อินกับมันนะเราเป็นแค่คนดูสบายๆนะความทุกข์จะไม่เข้ามาที่ใจหรอกอย่าไปกดไป้ตอนนี้กดอยู่มีกี่คนนะที่จะถามฮนะจูน นะสงสัยไม่ทันที่อ้าว่าไปางั้นต้องตรวจการบ้านสั้นๆกราบนพิธการหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกฟังซีดีแล้วก็อ่านหนังสือของหลวงพ่อมาระยะหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าถูกแล้วนะใจเริ่มตื่นขึ้มา้วดูเล่นๆไปเ <ขอ S 1> ห็นไหมกิเลสมันโผล่ขึ้นมาได้ทั้งวันดูออกไหมก็<ข>ออกบางไม่ออกะแางกิเลสมันฝุดขึ้นมาฝุดขึ้นมานะเราแค่รู้ดูไปเรื่อยๆ คนจริงทั้งห้าคนเนี่ยใช้ได้แล้วนะทั้งห้าคนนะ่ยก้จะตื่นนะสี่คนมีของคนนี้ติดเพ่งแรงไปนิดหนึ่งคนที่สี่อย่าไปเพ่งนะถ้าไม่เพ่งก็หลุดออกมาแล้วบางครั้งเนี่ยพอเราเหมือนเรารู้ว่าเราคิดเราเผลอมันเหมือนว่าเราจะดึงตัวเรากลับมาเออนั่นแหละที่หลวงพ่อบอกว่าพอรู้ว่าเผลอนะที่แรกเผลอก่อนระพาวาที่หนึ่งคือเผลอไปคิด สภาวะที่2คือรู้ว่าเผลอไปคิดสภาวะที่3าคือดึงคืนมาตอนทีปเป่เผลอไปนะเป็นการมาสุขาริการนโยกหลงตามกิเลสไปตอนที่ดึงคืนมาเนี่ยบังคับตัวเองเป็นอันตตาขีณาฐานนิยกตัวรู้อยู่ตรงกลางแต่ว่าโดยธรรมชาติของพวกเราที่หัดใหม่ๆเนี่ยเราเคยชินที่จะบังคับตัวเองเพราะรู้ว่าเผลอเนี่ยจะกลับมาเพ่งทุกคนเลยให้ให้รู้ทันมาเพ่งไปแล้ต่อไปก็คลายออกคลายออกนะอย่าไปบังคับใจให้นิ่ง ขอบคุณผู้ชายก็ไปบังคับนะปล่อยซะ่อไปล่อยกล่อวขอบคุณหลวงพ่อนะค่ะขอบคุณนะใจะยังสงสัยอยู่ให้รู้ว่าสงสัยเชื่อก่อนแล้วค่อยขอบคุณนะอนมัสการหลวงพ่อเออของผมนี่ปฏิบัติถูกแล้วก็จิตตื่นบ้างหรือยังครับก็พอใช้ได้นะแต่ตอนนี้คุณตื่นเต้นก็เลยไปกดไว้นะใช้ได้อยู่หักดูสภาบาไป ทั้งวันเห็นว่าเดี๋ยวก็ใจลอยเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็ใจลอยเดี๋ยวก็รู้สึกถ้าเห็นอย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าทั้งวันเลยไม่เคยเผลอเลยไม่เพ่งแน่นอนเลยเพราะจิตของเรามันจะไม่รู้สึกตัวได้ตลอดเวลาไม่ใช่ละอรนหันอย่างตอนเนี้จิตไปคิดแล้วทราบไหมหัดดูไปอย่างนี้นะใช้ได้เออคนนี้เริ่มคลายออกแล้วรู้สึกไหมแจมสว่างขึ้นมาแะ้วเอออย่าไปเพ่งปล่อยมันไม่ลงมันกลางทั้งหมดเลยได้ปะเก่งนะพบคนแล้วใช้ได้แล้ว นมัสการค่ะก็คือเพิ่งฝึกแล้วก็บางครั้งรู้สึกว่าจะยังมีการแน่นๆในท้องออแน่นๆเพราะว่าเพ่งไว้บังคับไว้เราจะทํายังไงถึงจะคลายได้อะคะ่ะอยวไปทํามันสิถ้าทํำยังไงก็เพ่ยงยังเครียดถ้าเราไม่ไปทําเหตุของมันเราก็ไม่เครียดหันรู้สึกไปรู้ความรู้สึกนะความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นคอยรู้เล่นๆไปไปฟังซีดีอีกเอห้หนูคนนี้ ไปที่ไหนก็เจอเ ร, รื่อยๆการนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเพิ่งไปภาวนาที่ผาซ้อนแก้วกลับมาเจ้าค่ะหลวงพ่ออํานาจทักว่าตื่นมากขึ้นไปทําอะไรมาหนูตอบว่าฟังซีดีหลวงพ่อทุกวันเจ้าค่ะอก็<ล><ล>ต้องออลืค่ะปกติเลืมป่ะถ้าฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็หลับเนี่ยผิดปกติเ้งไปตรวจสภาพจิตใจได้เลยค่ะแล้วหัดรู้สึกตัวทุกประจำวันนะคะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจิตใจโปร่งๆมาขึ้นจะขอการด้านหลวงพ่อเจ้าค่ะ ตอนนี้บังคับอยู่ดวกไหมูออกค่ะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะแต่จิตยังฟุ้งซ่านง่ายค่ะให้ไปเดินจงกรมไหมนะเดินไปเราก็เห็นร่างกายมันเดินไม่ใช่เดินบังคับให้จิตนิ่งนะเดินแล้วเห็นร่างกายมันเดินเดินไปเดินไปใจลอยแวบรู้ว่าใจลอยภาหนาดีขึ้นเยอะเลยถ้ก่อนไปเจอที่วิมุตมติยาลัยของท่านหมอใช่ไหมอตอนนั้นยังสู้ตอนนี้ไม่ได้รู้สึกเปล่า รู้สึกเจ้ค่ะใจมันสว่างขึ้นมาล้นะรู้สึกไปไปเดินเดินเถอะนะเดินเดินเดินแล้วเห็นกายมันเดินเดินแล้วเห็นจิตมันทํางานไม่ใช่เดินบังคับกายบังคับจิตอ้าวเชิญชวนขออนุมัตนากับทุกขั้นที่ทําซีดีแจกนะคะเหรอเอาโมก็โมเอาสาธุอยู่ไหนก็ไม่รู้กับนมัสการหลวงพ่อครับเห็นกายอยู่แต่ว่าไม่ชัดเจนแต่ใจเนี่ยมันจะไม่ชัด เขาคุณิ่งมันนิ่งเกินไปถ้าเราเพ่งอยู่นะจะไม่เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงกดเลยครับกดไว้ไม่เพียงกดธรรมดานะน้อมใจให้ซึมด้วยอ๋อครับแล้วจะแก้ไขยังไงครับขอกันบ้านไปเลือกนั่งไปก่อนเลิกนั่งสมาธิไปก่อนนะแล้วก็ไปเดินไปหางานทำกวาดบ้านถูบ้านซักผ้ารดต้นไม้อะไรนี้หางานทำไปแล้วก็เห็นร่างกายมันทํางานไปเรื่อใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายมันทํางานได้เรื่ยยังไม่จะตื่นขึ้นมา พอใจเราตื่นขึ้นมาดีแล้วก็กลับไปทําสมาธิใหม่ไม่เป็นไรตอนนี้ถ้าทําสมาธิมากโมหะจะมากใจซึมคุณนั่งสมาธิด้วยวิธีนี้แหละนั่งแล้วก็จะน้อมเข้าไปน้อมนมนึกอ อ, อ, ออกมไหมนึก อ, ออกครับนั่นแหละคุณไปนั่งแบบนั้นมันถึงซึมจิตมันวิ่งไปที่กายะมันได้เห็นแล้วมันหลงไปมันหลงใช่ไหมมันหลงไปอยู่ที่กายให้คุณรู้ทันว่าจิตไหลไปรู้ทันว่าจิตไหลแล้วอย่าดึงนะ ถ้าดึงแล้วจะแน่นอ๋อจะไม่อยู่จะไม่เป็นการจะมันมันไหลไปมันไม่ตั้งมั่นมันไหลลงไปอยู่แช่อยู่กระกายนะฮะฉี่ก็ถูกโมหะครอบไปเลยครับจิตเลยกลไปทําสิ่งที่ครูบาอาจารย์เ้าเรียกว่าโมหะสมาธิครับมันไม่ใช่สัมมาสมาธิทำแล้วมัวเราทำแล้วไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ครับเดี๋ยวตามไปส่งกันบ้านที่วัดอีกทีครับโอนะตามไปดูวันหน้าวันบางวันรู้ว่าเขมีอยู่ ในมัสการหลวงพ่อค่ะเมื่อเดือนที่แล้วได้มีโอกาสไปเรียนถามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยออพอใช้ได้ค่ะทีนี้เนี่ยก็ลองมาดูตัวเองฟังซีดีเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองปฏิบัติมาเนี่ยยังไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองเป็นผู้ดูหรือว่ารู้สึกว่า <จำ S 2> เป็นผู้ถูกดูไม่ไมจําเป็นเห็นไหมว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตววเราเนี่ยชั่วคราวความสุขความทุกข์โลภโกรธหลงอะไรเนี่ยมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไป ดูอยู่แค่นี้ก็พอละแล้วทํายังไงให้จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาล่ะคะยังไม่ต้องเลยนะหันดูสภาวะบ่อยๆกันดูไปเรื่อยจนสติแท้ๆมันเกิดกับอครฝึกคลิที่ผ่านมานี้ก็คือสติมันเกิดแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าใจยังไม่ตั้งมั่นใช่ไหมใจมันยังไม่ตั้งมั่นนะแล้วทํายังไงให้ตั้งมั่นละคะท่านคือสติที่เกิดตอนเนี้ยมันไม่ใช่สมาสติถ้าสัมมาสติเกิดเนี่ยนะจะต้องเกิดสมาสมาธิด้วย สติตอนนี้เป็นสติธรรมดามันไม่ใช่สติที่รู้กายรู้ใจที่แท้จริงยังเจือด้วยการคิดรู้สึกไหมเรายังรู้ที่เจือด้วยการคิดอยู่อต่าตอนนี้ก็ไปคิดแล้วทราบไหมค่ะให้คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดบ่อยๆเนี่ยไหลไปแล้วรู้สึกไหมรู้ตรงนี้บ่อยๆนะั่นเดี๋ยวแจมจะตื่นขึ้นมาขอบพระคุณค่ะกราบนมาสการค่ะโยม ติดเพ่งมา20กว่าปีค่ะพระอาจารย์แล้วก็มาปฏิบัติดูจิตได้2ปีแต่โยมฟุ้งมากค่ะพระอาจารย์คนที่ติดเพ่งนานๆนะเพอมาหัดดูจิตเนี่จะฟุ้งซ่านมากกว่าคนปกติคเพราะว่ามันเก็บกดมานานจะตกใจติดโยมเกิดดับแทบทุกวินาทีเลยค่ะพระอาจารย์รู้สึกไหมตอนที่เล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเกิดดับทุกวินาทีเราอินกับมันละใช่ค่ะเรารู้สึกอนุนมันมากเลยเนี่ ให้รู้ทันนั้นจิตมันกินไห้ดใส่งกันบ้านน ะ, นะคะให้รู้ทันลงไปเรื่อยๆร่อเริ่มหายจากการเพ่งแล้วล่ะใช้ได้ขอบคุณค่ะเก่งนะเพ่งตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วแก้ได้มีคุณป้าอยู่คนหนึ่งนะแก่เพ่งมาตั้งแต่สาวสาวแกไปหาหลวงพ่อตอนอายุแปดสบเจ็หลวงพ่อบอกว่าโยมก็เพ่งต่อไปก่อนแก้ไม่ทันแก้เถิดแก้แก่ให้เลิกเพ่งนะจิตจะฟุ้งสุดขีดแล้วก็วตายตอนนั้นเดี๋ยวจะไปอับอายซะ รอแกไปเป็นพระพรหมนะผ่านพระศรีอารไปอีกสองสามองค์อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวกลับมาเกิดใหม่มาตั้งต้นเอาใหม่เสียเวลาอ่ะกลับไปกลับนมัส ก, การแล้วขอโอกาสหลวงพ่อนะครับแป๊บนึงนะหลวงพ่อจะต้องเล่นงานแม่ชีแม่ชีใจลอยแล้วรู้สึกไหมเอออ้าวว่าไปครับอยากจะให้หลวงพ่อช่วยตรวจกันบ้านนิด น, นึงว่าที่ปฏิบัติมาเพ่งเกินไปหรือว่ากดเกินไปหรือเปล่าครับยังมีกดอยู่บ้างน ะ, นะครับ ถ้ากดอยู่ใจจะแข็งแข็งครับรู้สึกไหมครับใจมันยังแข็งอยู่แล้วรับการปฏิบัติในรูปแบบนี้ยังเพ่งเกินไปไหมครับใช้อะไรใช้กรรมาฐานอะไรอ่ารู้ลมหายใจครับลองทำให้ดูซิวางมายไปก่อนเดี๋ยวทำของข้าตกแตกไปสังเกตให้ใจเราไหลไปอยู่ที่ลมครับก็สัมผัสได้ว่ า, อ ย, าอย่าให้จิตไหลไปให้แค่นั่งเห็นร่างกายนี้หายใจใจเราเป็นคนดูอยู่ตหากอย่าให้จิตไหลเข้าไป ที่ทำผิดอยู่คือจิตมันไหลเข้าไปครับก็ก็แค่รู้ว่าหายใจเข้ากับหายใจออกแ ต, แต่ตอนที่รู้เนี่ยจิตต้องตั้งมั่นของคุณเวลารู้เนี่ยจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมทำใหม่ทำใหมต่ตอนนี้จิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านนะนั่งรู้ทันจิตไป แต่ว่าอย่าปล่อยจิตให้เคลื่อนแล้วไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ลมนะปกติจะใช้วิธีตามรู้ลมหายใจ ค, ควบคู่ไปกับการการรู้สภาวะพร้อมกันไปด้วยครับก็ทําได้แต่ต้องไม่ไหลไปถ้าไหลไปแล้วไม่สามารถรู้สภาวะได้ครับแล้วอย่างนี้วิหารธรรมที่ผมควรจะก็รู้ลมหายใจไปไม่ไมไมม่่ขาดเกิดไม่ขัดสิหลวงพ่อก็เริ่มมาจากลมหายใจนะครับแต่แทนที่จะหายใจแล้วให้จิตนิ่งนะหลวงพอ่อหายใจแล้วรู้ทันจิตครับ หายใจแล้วเรารู้ทันจิตเช่นเราหายใจหายใจนะจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมรู้ว่าจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดหายใจแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านหายใจแล้วจิตสงบรู้ว่าจิตสงบหายใจเราก็รู้ทันจิตไปแล้วอย่างนี้วิธีแก้การเพ่งนี่ก็คือคอยตามรู้ว่าเราเราไหลไปตามลมหายใจใช่ไหมครับการเพ่งก็คือจิตมันไหลเข้าไปเกาะนิ่งๆอยู่ในอารมณ์แดนหนึ่งเพ่งลมหายใจจิตก็ไหลไปอยู่ที่ลม เพ่งท้องฟองยบจิตก็ไหลไปอยู่ที่ท้องเพ่งเท้าจิตก็ไปอยู่ที่เท้าเพ่งมือจิตก็ไปอยู่ที่มือเพ่งอะไรจิตก็ไหลไปอยู่ที่นั่นจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาเอาไอ้หนูที่ไปฝ๋าซ่อนแก้ว่าหลงแล้วแล้วก็แาบบบังคับตัวเองด้วยรู้สึกไหมตรงนี้ต้องเลิกเลยนะอย่างนี้ภาวนายอย่างนี้ไม่ได้เป็นการบังคับกดข่มจิตแล้วขอขอคำถามนะครับถ้าอย่างนี้เราใช้วิธีการเคลื่อนไหวกายควบคุ่เข้าไปด้วยดีที่สุดเลย ย้ำกระตุกกระติกไว้เพราะว่าบางครั้งที่รู้สึกฟูงซ่านก็จะลรือหลบหรือหือหือเพ ล, อ, ล, อ, ลอไปอกับอารมณ์ก็จะใช้วิธีการขยับนิ้วร่วมด้วยขยับตัวแล้วก็ฝึกอยู่ในชีวิตประจําวันให้มากมากนะยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกเรื่อยๆกับนมัสการคนไหนที่สามารถเจริญสติในชีวิตประจําวันได้นะใกล้กับมรรคนิพพานคนไหนเจริญสติในชีวิตประจําวันไม่ได้นะยังห่างไกลมรรคนิพพานเพราะอะไรเพราะชีวิตส่วนใหญ่เราไม่ได้นั่งสมาธิ ชีวิตส่วนใหญ่ของเราอยู่กับโลกธรรมดายอย่างนีน้ถ้าเจริญสติได้เราเจริญได้ทั้งวันเลยถ้าต้องนั่งสมาธิถึงจะพรรน์ได้ก็ยังน้อยวันวั น, ว น, วนึงทำได้นิดเดียวกลาวณมรสการค่ะหลวงพ่อคือโยมเพิ่งฟังซีดีของหลวงพ่อตั้งแต่เดือน11ปีที่แล้วนะคะก็ฟังมาทุกวันก็รู้สึกว่าโทสะน้อยลงมีความสุขมากขึ้นมีสติรู้มากขึ้นบ้างนะคะ แต่มาช่วงหลังๆเนี้ยค่ะคือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีสติรู้หลงหลงนานเวลาจะรู้ทีเนี่ยแบบรู้ไม่ทันเหตุการณ์รู้ไม่หลังแบบไม่เห็นหลังไวๆคือรู้แบบเราต้องมีพิหารธรรมมีเครื่องอยู่ถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่เราจะหลงนานนะอยู่กับการเคลื่อนไหวร่างกายก็ได้ร่างกายเคลื่อนไหวแล้ว ร, รู้สึกรู้สึกไปเรื่อยต่อไปพอเราเผลอไปนะเราเกิดขยับตัวแบบไม่ได้เจตนาเนี้ยสติมันจะเกิดเอง อย่างนี้ยมันไปยักหน้าอยู่างนนะีมันรู้สึกรู้สึกนะแต่ไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้เพ่งไว้เขาคุณเพ่งนะระวังนะง เ, นเพ่งเหรอคะ เ, ออเมื่อกี้ที่ไปรู้กายอะ่ะไปเพ่งกายรู้แบบเพ่งนะเช่นอย่างนี้มันมันนิ่งไปยังไม่สามารถ แยกได้ระหว่างที่หลวงพ่อบอกเป็นเพ่งเมื่อสักครู่นะคะกับตอนที่ไม่เพ่งนะคะอย่างตอนเนี้เพ่งอยู่รู้สึกไหมรู้สึกเหมือนพยายามกดไว้นั่นแหละกดไหมแต่อันนี้เพ่งจิตนะเมื่อกี้ไม่ได้เพ่งกายแต่เพ่งจิตกดจิตให้นิ่งไหมเพ่งนะกายก็ไม่เพ่งนะจิตก็ไม่เพ่งนะปล่อยให้มันทํางานอย่าไปเพ่ง หลวงพ่อครับหลวงพ่อบอกว่าให้ดูเหมือนเล่นๆตามรู้ตามดูบางครั้งเนี่ยมันคือเล่นจนแบบปล่อยเป็นธรรมชาติจนเหมือนลืมตัวเองอะค่ะไม่อย่างนั้นไม่ได้เราต้องมีวินัยในตัวเองทุกวันต้องแบ่งเวลาไว้ไหว้พระสวนมรนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรในรูปแบบต้องทําทุกวันนะถ้าไม่ทำแล้วจะหลงนานนั้นเราทําทุกวันคือของโยมก็ต้องทําปฏิบัติทาง สมาธิเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิเล้ก็เดินจงกรมให้มากๆหน่อยเดินดีกว่านั่งควรที่นั่งสมาธิส่วนมากซึมขอบพระคุณค่ะพยายามกระตุกกดิกไว้นะกระตุกกดิ ก, ดกแล้วก็รู้สึกกระตุกกดิ ก, ดกแล้วรู้สึกน้ำมัสมั่หลวงพ่อเจ้าค่ะเช็คสภาวะเจ้าค่ะไม่ทราบตอนนี้ลูกมีอะไรตอนนี้เหรอตอนนี้ลูกตื่นเต้นแล้วที่ปฏิบัติมาไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะมี จิตมันไม่ตั้งมั่นนะรู้สึกไ้มจิตมันเหมือนมันโปร่งโปร่งว่างๆกระจายออกไปข้างนอกแล้วอย่างนี้ลูกจะต้องให้รู้ทันมันว่าจิตหลงออกไปข้างนอกจิตมันไม่ย้อนตัวนเข้ามาดูกายดูใจมันไปว่างๆโปร่งๆสบายๆเผลอเอเพลินเพลินไปอันนี้ก็ไม่ดีใช่ไหมจ๊ะไม่ดีไม่ดีต้องรู้กายต้องรู้ใจไหม เจ้าค่ะและทีนี้บางทีแบบว่ามันมีสภาวะข้างนอกเนี่ยมากร ะ, กระทบมันจะมีปัญหาที่ลูกจะคิดเนี้ยลูกก็จะเลี่ยงไปเดินจงกรมแทน<อ>ทีนี้มันก็จะมีการคําตอบบางทีแบบอย่างสมมติว่าเราสงสัยว่าเอแดงกับเหลืองทําไมถึงต้องทะเลาะ ก, กันแล้วเราไปเดินจงกรมเนี่ยเสร็จเราก็จะมีคําตอบมาเองเราจะเห็นถึงความอย่างนันเรื่องปกติใช่ไหมเจ้าค่ะเรืนปกตินะหลวงพ่อพุธเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อพุธใครรู้จักไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อพุทธานิโยเจ้าค่ะ บอกว่ามันมีสถาปนิกคนหนึ่งไปรับงานออกแบบที่ยากมากเลยคิดไงก็คิดไม่ออกนะแกก็เลยนอนไปเลยตื่นขึ้นมาก็นั่งสมาธิะอะไรงันแกนะ <ไป S 1> ลืมไปแล้วแกเห็นแปลนมันขึ้นมาเลยคือจิตมันเป็นธาตุรู้แล้วทีนี้บางทีแบบว่าอย่างลูกเคยขับรถไปเนี่ยมองเห็นตึกอยู่อ ย, อยู่ก็จะมีแบบว่า ตึกที่ล้างเนี่ยมาทาบทับอยู่อย่างเงี้ยมันคือเป็นอะไรเจ้าคะเป็นนิมิตเป็นนิมิตเฉยๆที่ตามองเห็นอยู่เพราะว่าจิตของคุณเนี่ยมันเพ่งไว้เรื่อยๆมันเป็นสมถะอยู่เรื่อยต้องแก่ต้องเลิกไม่ใช่ต้องแก้ต้องเลิกเพ่งเจ้าค่ะติดสมถะนะกราบขอบคุณเจ้าค่ะแล้วไปติดตอนนี้สมถะเพ่งให้ว่างๆไหมกับนมัตการหลวงพ่อเจ้าค่ะที่ฉันอยากขอการบ้านกับหลวงพ่อค่ะเพราะว่า ไปที่ถาซ่อนแก้วอาจารย์ปารมีบอกว่าให้มาพบกับผ้าอาจารย์ให้ช่วยชี้นําเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาในการบําเพ็ญค่ะอย่างตอนที่เล่าถึงอาจารย์ปรามีรู้สึกไหมใจมันหาท่านมันเป็นนึกถึงท่านเห็นไหมมั น, มนลืมปัจจุบันพยายามรู้สึกกับปัจจุบันไหมถ้าเข้าใจคําว่าปัจจุบันาการภาวนาจะ ง, ง่ายที่สุดเลยคเหมือนอย่างวันนี้ใจลอยไปอีกแล้วเห็นไหมถ้าเห็นความอยากพูดไหมมันมีความอยากดันขึ้นมาให้รู้ทันเอะ ตื่นเต้นที่ได้พบพะอาจา์ค่ะเพราะใครๆบอกว่าพะอาจารย์นี้พบยากมากยากเลยหรือพราะว่าคนพบหลวงพ่อเยอะน ะ, ะ<ต> น, นั่นสิคะวแต่ละอาทิตย์นะ้วคนพบตั้งหลายพันค่ะพอวันนี้ได้มีโอกาสพบะพ้าจา์ก็เลยทดลองดูจิตตัวเองอว่าเรานั่งมองอาจารย์ในเวลาเดียวกันก็มีเกิดความคิดขึ้นมา ดูว่าจิตตัวเองคิดยังไงกับพระอาจารย์แล้วก็หันกลับมาดูกายตัวเองว่าอย่างจงใจใช่อย่างจงใจดูอยู่จงใจดูไม่ใช่ของจริงค่ะใจก็จะนิ่งนิ่งทื่อทแข็งแข็งไปคือเหมือนตัว่าตัวเองจากบ้านเมื่อกี้ใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมไปแล้วอสบายไปโอลาลาไปเรื่อยรู้สึกไว้นะอย่าไปโกรธคนที่ถือไม้อย่าไปกรไว้ค เพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบขี้สงสัยะคะ่ะแล้วก็ชอบพิจารณาแล้วขี้โมโหด้วยใช่คะ่ะลึกๆนะคะอแต่ไม่บ่อยคะ่ะให้รู้ทันมันค่ะแต่ตอนนี้มีข้อที่จะให้พู้อาจารย์ช่วยชี้แนะค่ะเพราะว่าคนใกล้ตัวก็คือสามีตัวเองอไม่ทราบเป็นยังไงเห็นหน้าทีไรขุนทุกทีแต่เนี่ยหลวงพ่อถึงบอกเลยว่าไมนขี้โมโหค่ ะ, คะแต่พอเวลาที่รู้ทันมันเหมือนมีความรู้สึกว่าตัวเองมีอัตตามาชัยทำไมถึงว่า โทสะเกิดเดี๋ยวก็ความโลภเกิดแล้วก็โมหะเกิดได้คิดอย่างนี้นะคะเพราะว่าในชีวิตก็ไม่ค่อยอยากจะให้อะไรลูกๆก็เลยเกิดอัตตาว่าทาไมเอ๊ะก็ให้คนอื่นได้ทํำไมให้ลูกไม่ได้ไม่ทราบว่าของเราหน้าดูของเราไปเราไปแก้ที่คนอื่นไม่ได้คแล้วอยากถามพระอาจารย์ว่าสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ขนาดนี้ถูกทางไหมคะของโยมนะไปดูนะจิตมีโทสะขึ้นมาก็ให้รู้ทันจิตมีมานะอัตตาขึ้นมาก็ให้รู้ทัน จิตเรายึดในความคิดในความเห็นของเราก็าให้รู้ทันแล<ช>้ว ช, ชีวิตจะมีความสุขขึ้นพอ ช, ช, ชีวิตของเราร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยสามีจะรู้สึกว่าเราทั้งสาวทั้งสวยแล้วก็ดี <c oughs> เหมือนมีเ ม, ม, ม, ม, มียใ <c oughs> หม่หลายคนมาบอกหลวงพ่ออย่างนั้นนะแก้ที่ตัวเองก่อนนะแล้วในบ้านจะดีขึ้นแก้ที่ตัวเองก่อนนะในบ้านจะดีขึ้นอา้าวต่อไปนักการหลวงพ่อค่ะกลัวไหม กลัวรู้ว่ากลัวครับค่ะก็คือปฏิบัติมาเรื่อยๆแต่รู้สึกว่ามันจะฟุ้งซ่านเยอะค่ะเร า, าไม่ได้ภ<ห>าวนาให้ไม่ฟุ้งซ่าน แ, แต่บางทีรู้สึกว่ามันจะฟุ้งไปเยอะเลยจะถามหลวงพ่อว่ามีหลวงพ่อแนะนําให้ใช้วิหารธรรมอะไรไหมคะก็ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไว้นะเช่นเห็นร่างกายไปยักหน้าเหลียวซ้ายแลข ว, วายกมือแต่ไม่ใช่จงใจ ย, ยกนะจงใจ ย, ยกอย่างเี้เพิดน ให้เป็นธรรมชาติไปม้วก็ดูไปเรื่อยๆเออดูไปเรื่อยๆแต่ใจไม่ไม่อ่อนแอท้อแท้นะไม่ใช่ดูไปเรื่อยๆแล้วก็ใจอ่อนๆนี่คึกคักไว้หน่อยคุับมหการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูฟังซีดีหลวงพ่อมาหลายเดือนแล้วก็เคยเจอกันไหมไม่เคยเจ้าค่ะรู้สึกไหมจิตวันนี้เกิดแต่ก่อนไม่เหมือนกันแล้วจิต<ช>เริ่มตื่นขึ้นมาแล้ว แล้วหนูพยายามรู้สึกตัวในระหว่างวันประจําวันแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายเจา้าค่ะขอกราบขอคําแนะนำจากอาจารยกแล้วไปทํ<ไ>ปทำอีกนะขอบคุณเจ้าค่ะคนนี้ใจมันอ่อนไปนิดนึงนะคนที่เพิ่งส่งกันบ้านเสร็จรู้สึกไหมใจเรามันอ่อนไปนิดนึงเข้มแข็งกว่านี้หน่อยนะนะอนักภาวนาต้องเข้มแข็งนะหนูไปอยู่ที่สวนสติรธรรมมาประมาณสามเดือนที่แล้วค่ะแล้พระอาจารย์ก็บอกว่ากลับมาให้ทําอย่างเดิมอีก แรกๆก็ทำได้ค่ะตอนหลังๆงานมันเยอะก็หลังๆงานมันเยอะก็เลยปล่อยไปนะคะๆๆงานเยอะก็ทำสิถ้าไม่ทำน้ําก็ทุกแหละเรื่องไรเราจะต้องมีชีวิตที่มีความทุกข์จิตของหนูตอนนี้เป็นไงจิตองหนูตอนนี้เป็นยังไงเจ้าค่ะก็ไม่เร็วนะไม่ได้มีปัญหามากหรอก ดูไปเลยความทุกข์ใดๆไหลเข้ามาในชีวิตเราเราก็ค่อยรู้เอานะทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทั้งหมดดูอย่างนี้นะคพรู้เรียกว่าตื่นใช้ได้ตื่นไหมตื่นใช่ตื่นตื่นหลับหลับเป็นทุกคนะนะหลับธรรมะการหลวงพ่อครับผมเคยเข้าคอร์สปฏิบัตินะครับปีละหนึ่งครั้งนะครับมาสองครั้งหลังเนี่ยครับรู้สึกว่าหัวจะมึนมากๆครับอยาเข้าเลย <laughs> ครับแล้วก็ วิธีการรู้สึกตัวนะครับไม่ไ้อาจารย์ให้รู้มันไม่ใช่รู้รมันกําหนดกำกนดเอาไว้เพ่งไว้พยายามรู้สึกตัวให้เป็นธรรมชาตินะยืนเดินนั่งนอนให้เป็นธรรมชาติพระพุทธเจ้าสอนเราง่ายๆแต่อาจารย์รุ่นหลังๆนีพัฒนาคําสอนจนยากมากเลยพระพุทธเจ้าสอนง่ายๆยกตัวอย่างนะท่านบอกทิกสูทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังตั้งกายตรงๆคู่บัลลังก์หรือนั่งขัดสมาธิ ตั้งกายตรงๆดำรงสติเฉพาะหน้าหมายถึงอะไรเกิดขึ้นก็รู้อยู่เฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวแค่หายใจแล้วก็รู้อาจารย์รุ่นหลังจะพัฒนาคำสอนให้ยากกว่านั้นอนีกต้องรู้ตั้งแต่ลมกระทบจังไอยปากกระทบปลายจมูกกระทบเพดานกระทบคอนะกระทบหน้าอกกระทบท้องนะเพิ่มเติมสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนทาให้ยุ่งยากกว่าเก่า หรือพระพุทธเจ้าสอนง่ายๆภิกษุตทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่ท่านไม่เคยสอนว่าเดินมีกี่จังหวะอาจารย์ชั้นหลังๆเนี่ยสร้างว่าเดินมีเท่านั้นจังหวะเท่านี้จังหวะพอจงใจกําหนดลงตามจังหวะมันคือการทําสมถะกรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนาเพรนั้นถ้าทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะไม่ยากเกินไปเลยถ้าทําตามที่อาจารย์สอนนะส่วนใหญ่ติดสมถะต้องใจถึงๆนะต้องเรียนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร อย่างท่านสอนบอกฟิกสูตรทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่คําว่ารู้ชัดคืออะไรรู้ด้วยอะไรรู้ด้วยสติกับรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติก็คือระลึกรู้เห็นร่างกายที่กําลังเดินใจของเราเป็นคนดูเท่านั้นเองนะไม่เพ่งที่กายนะแต่ว่าเห็นกายมันเดินใจเป็นคนดูอันนี้เรียกว่ารู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาก็คือรู้ว่าตัวที่เดินอยู่นี่มันไม่ใช่ตัวเราเดินร่างกายมันเดินต่างหากละ่ะ นั้นคำว่ารู้ชัดของท่านนะรู้เรื่องสติคือรู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ได้ปัญญาคือเห็นว่ากายนะนั้นไม่ใช่ตัวเราง่ายๆแค่นี้นะไม่ใช่ให้ไปยกเท้าอะไรตอนไห ย, ยุ่งนะการรู้สึกตัวที่เหมาะสมกับผมใจการรู้สึกตัวแบบไหนครับร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไหมนะอบคุณที่ทํามามันเพ่งมาเยอะให้รู้สึกกายไปรู้สึกร่างกายไปเลยนะแล้วจิตใจขยับเ ข, ขยื้อนเนี่ยมันจะเห็นเอง เขอบพระคุณครับยาเห็นไหมเนี่ยจิตไหลไปอยู่ในไม่รึ่อล่าไหมจิตไหลเข้าไปอยู่ในไม่ตรงที่รู้ว่าจิตไหลเข้าไปอยู่ในไม้นั้นจิตตื่นขึ้นแวบหนึ่งรึเอล่าไหมหมดที่เตรียมไว้สิบแปดคนแล้วค่ะหลวงพ่อหมดแล้วเหรอแต่ว่ามีคนเขียนคําถามมาสองคำถามไม่ทราบหลวงพ่อจะให้โอกาสหรือเปล่าคำถามเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยให้คนอะไรก็จับไม้ละค่ะกรรมน้ำมันสกการหลวงพ่อเจ้าค่ะ ขออนุญาติเรียนถามแนวทางการปฏิบัติแล้วก็แนะนําที้นําที่เหมาะกับตัวลูกเจ้าค่ะโยมอย่าให้จิตนิ่งนะอย่าภาวนาแล้วน้อมจิตให้นิ่งนิ่งเกินไปกลับมาเป็นคนธรรมดาที่ภาวนาไม่เป็นเจ้าค่ะคนธรรมดาที่คนนี้ก็ว่าเขาโมโหคนนี้ก็ชมก็ดีใ จ, จแล้วเรามีส ต, ติตามดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปของโยมใจมันโุง่งๆว่างๆมากไปนิดนึงเจ้าค่ะ ม, มีคำถามที่ท่านผู้ฟังแสดงความเห็นว่าวิธีการปฏิบัติของหลวงพ่อเหมาะกับคนที่เกษียณแล้วก็เลยถามว่าหากเราเป็นหัวหน้า ง, งานต้องคุมลูกน้องให้ทำงานตามเป้าขององค์กรต้องทำอย่างไรถึงจะเชื่อมโยงเรื่องงานกับเรื่องสติคะ่ะโอ้เข้าใจผิดนะว่าการเจริญสติเป็นเรื่องของคนเกษียณนะหลวงพ่อหัดเจริญสติตอนนั้นทางานอยู่สภาวะมัน่นคงชื่อมันก็พ่อหน้ากลัวแล้วนะ งานนั้นซีเรียดที่สุดเลยคือถ้าทําอะไรผิดพลาด น, นะบ้านเมืองเสียหายได้เยอะเลยนะอาจจะจราจนหรือเสียดินแดนหรืออะไรอย่างนั้นได้เลยถ้าทาผิดนะงานนี้เครียดสุดๆเลยนะถ้็ทํางานอยู่กับคนที่เครียดสุดๆด้วยหลวงพ่อภาวนาได้ดีที่สุดในช่วงนั้นนะเวลาที่เราทํางานนะการทํางานเนี่ยไม่ได้เบียดบงังเวลาจเจริญสติเลยถ้าเราไม่มีสติเราจะทํางานแบบแบบเอาหัวเข้าไปมุดมุดเข้าไปตลุมบอลกับมันนะงานไม่เดียว เมเวลาทํางานหนวพ่อเล่าให้ฟังนะตอนนั้นหนวพ่อรับราชการอยู่นะตื่นเช้าขึ้นมานะเราก็มีสติตอนตื่นนอนเนี่ยยังไม่ต้องกลุ้มลูกน้องทํางานใช่ไหมตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกเลยจิตใจเรานึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันจันทร์นะจิตใจแห้งแล้งเลยพอนึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์นะแหมชุ่มฉ่าเลยถ้าวันอังคารนี่ก็เสงงมากใช่ไหมวันพุธเสงงที่สุดวันพฤหัสสดชื่นใช่ไหมวันศุกร์นี่กระดีกระดาละ่ะ เนีแต่ละวันนะตื่นขึ้นมาแค่นึกถึงเนใจเราไม่เหมือนกันเวลากินข้าวนะนักบริหารทั้งหลายกินข้าวไหมก็กินใช่ไหมเวลากินข้าวใช่ไหมเจออาหารที่ถูกใจแม่เลยขาจัดมาให้ถูกใจมันพอใจขึ้นมาให้รู้ว่าพอใจวันนี้จัดอะไรมาให้เรากินไม่รู้ไม่ชอบเลยนะโมโหรู้ว่าโมโหเห็นไหมมันไม่ได้เบียดบังนะทำงานได้หรือขับรถมาจากบ้านมาที่ทํางานเนี่ยรถติดตลอดเลยหงุดหงิดแล้วรู้ว่าหงุดหงิด กังวลแล้วกลัวจะมาต้อนรับผู้ว่าไม่ทันในข่าวว่าผู้ว่าจะมาอะไรกลัวจะมาไม่ทันกังวลกระวายรู้ว่ากังวลกระวายเนี่ปฏิบัติได้แต่เวลาทํางานจดจ่ออยู่กับงานไม่ใช่เวลาเจริญสติจดจ่ออยู่กับงานเวลาทํางานต้องคิดเรื่องงานนะแล้วคิดไปคิดไปทํางานไปทําไปลูกน้องมากวนเราอีกแล้วถือแฟ้มใหม่อีกแล้วเอ้เราจะเลิกคิดเรื่องงานเรื่องนี้อยู่กําลังยุ่งยากอยู่เอางานอื่นมาแทรกเราโมโหเรารู้ว่าโมโห เนี่ยเราปฏิบัติอย่างนี้หรือเราตั้งใจจะทํางานให้เสร็จนะโทรศัพท์มาอีกแล้วเดี๋ยวก็โทรศัพท์เดี๋ยวก็โทรศัพทพ์โมโหอีกแล้วรู้ว่าโมโหเราทํางานเสร็จเราเอาไปพรีเซนต์ในที่ประชุมเข้าไปเจอรัฐมนตรีเราก็สั่งนะกลัวรู้ว่ากลัวเราจะหายกลัวรัฐมนตรีเลยเราเรารู้ทันนะ <c oughs> แล้วเรารู้ทันตัวเองนะพอเราเสนอพรีเซนต์งานนะเขาชมใจเราพองเรารู้ว่าพองในชะ่ไหม เขาตินอนตีนี่เราโมโหหรือเสีย อ, อกเสียใจรู้ว่าเสียใจเนี่หักไปอย่างนี้สิหักไปไม่ได้เบียดบังเวลาทํางานเลยนะถ้าคิดว่าการเจริญสติเป็นเรื่องของคนกเกษียณน้าสงสารที่สุดเลยพระเจ้าอยู่บัวของเราเจริญสติเก่งที่สุดเลยนะท่านไม่ได้กเกษียณใช่ไหมท่านท่านอายุก็เยอะแต่ท่านก็ไม่ได้กเกษียณนะนั้นท่านเจริญสตินะท่านไม่ได้ทิ้งหลวงพ่อเคยอ่านงานอันหนึ่งเป็นประวัติหลวงพ่อกเกษมเข ม, มโปร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาพิมพ์แจกหลายปีแล้วในหลวงท่านเจอหลวงพ่อเกษมท่านเล่าให้หลวงพ่อเกษมฟังว่าท่านใช้ปฏิบัติเนี่ยงานท่านเยอะท่านแบ่งชีวิตของท่านเป็นช่วงเล็กๆเช่นท่านมีเวลาเหลืออยู่2นาทีนะท่านเอา2นาทีนี้มาดูนะท่านมี3นาทีท่านดู3นาทีท่านมี1นาทีท่านดู1นาทีท่านเก็บช่วงเล็กๆเล็กๆท่านทาวนาเก่งของเราเป็นนับบริหารว่างานเยอะสู้ท่านไม่ได้หรอก งานน้อยกว่าท่านเงั้นถ้าบอกว่าทำงานจนไม่มีเวลาเจริญสติอันนั้นไม่เข้าใจการเจริญสตินะถ้าเข้าใจการเจริญสติเราจะรู้ว่าการเจริญสตินั้นแหละคือชีวิตของเราแหละมีชีวิตอยู่นะก็ะยังมีการเจริญสติอยู่อ้าวจูนอีกคาถามค่ะถามว่าการนั่งวิปัสสนากรรมฐานสามารถแก้กรรมได้ไหมคะกรรมที่ทาแล้วแก้ไม่ได้นะแต่มันแก้กรรมใหม่ได้ เช่นเดินเดินไปแล้วดนเขาด่าถูกเขาด่าเนี่ยเป็นกรรมเก่าแก้ไม่ได้จะไปแก้ยังไงในชาติก่อนใช่ไหมเราทํากรรมใหม่ที่ดีดูกเขาด่าแล้วเราก็รู้ทันใจที่โกรธเนี่ยเราก็ไม่โกรธตอบนะอยากด่าก็เชิญด่าไปเดี๋ยวมันก็เลิกไปเองเพราะเราชาวพุทธไม่ยุ่งกับกรรมเก่านะชาวพุทธเราทํากรรมใหม่ที่ดีกรรมเก่าเนี่ยส่งผลให้เราต้องเจอปรากฏการในปัจจุบัน เมื่อเจอปรากฏการณ์ปัจจุบันแล้วมีสติมีปัญญาเราได้ทํากรรมใหม่ที่ดีกรรมเก่าที่เลวก็จะค่อยๆถูกบั่นทอนหมดกําลังไปเองในที่สุดกรรมใหม่ที่ดีนะัจะมีพลังแรงแล้วก็ทําลายผลของกรรมเก่าไม่ใช่ทําลายตัวกรรมเก่านะทําลายการให้ผลของกรรมเก่าไปใฮ้เขาด่าเราหลายวันแล้วเราก็ใจเย็นยิ้มกับเขาไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งเขาก็เลิกดานะ่าเนี่ยหมดกรรมเก่าแล้วหมดเขาเราไม่ทํากรรมใหม่ ชาวพุทธอย่าไปเล่นเรื่องกรรมเก่านะไม่มีเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรของชาวพุทธเนี่ยชื่อว่าชนะกรรมชนกกรรมอะ่ะคือกรรมที่บันดาลให้เรามีกายมีใจอันนี้มานี่แหละคือเจ้ากรรมนายเวรของเราตัวจริงเมื่อเรามีกายมีใจอันนี้มาแล้วเนี่ยเราจะใช้กายใช้ใจนี้ก่อกรรมทําชั่วก็ได้เราจะใช้กายใช้ใจนี้มาพัฒนาตัวเองก็ได้มาทํากรรมใหม่ที่ดีหรือที่เร็วงั้นเราฝึก นะมีสติรู้กายรู้ใจเราทํากับใหม่ที่ดีไปเรื่อยๆแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นอย่างหลายบ้านนะมีปัญหาในครอบครัวง้องแงง้งองแงงตลอดเลยนะมาหัดภาวนาสักคนหนึ่งนะสามีหรือภรรยาอนะไรนี้มาหัดสักคนหนึ่งนะแต่เดิมภรรยานะขี้บ่นมากเลยสามีก็เลยทนอยู่ในบ้านไม่ได้หนีออกนอกบ้านไปเร ย, เยไปมีอีหนูอินูมันไม่บ่นนะนะต่อมาเนี่ยภรรยามาหัดดูของตัวเองเรื่อยๆปากเริ่มหุบหลงเรื่อยอ้าช้าขึ้นนะ ใจก็สงบใจก็ร่มเย็นนะหน้าตาผ่องใสขึ้นผ่องใสขึ้นสามีกลับบ้านเลยนะเนี่ยสเสน่ห์ร้ายแรงเลยเพราะนั้นหัดเจริญสตินะจะสวยกว่าเก่าจะสาวกว่าเก่านี่แก้กรรมแบบนี้นะแก้กรรมของชาวพุทธคือทํากรรมใหม่ที่ดีไม่ใช่พยายามไปล้างกรรมเก่าที่ไม่ดีที่ผ่านมาแล้วเพราะของที่ผ่านมาแล้วทําอะไรไม่ได้ใช้ปัจจุบันให้ดีที่สุดนี่แหละคือทางแก้กรรมของชาวพุทธความจริงไม่มีการแก้กรรมหรอก กรรมทั้งหลายให้ผลมาถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องหมดผลท้อสลายตัวไปแต่ถ้าเราทํากรรมใหม่ที่มีกําลังเข้มแข็งนะกรรมใหม่ที่มีกําลังเข้มแข็งเนะี่ยมันให้ผลขึ้นมามันแทรกขึ้นมามันแสงขึ้นมาอิทธิพลของกรรมเก่าที่ไม่ดีก็สลายตัวไปไม่ใช่ว่าไปล้างกันนะไม่ใช่กรรมใหม่กรรมดีไปล้างกรรมชั่วไม่ใช่ยกตัวอย่างนะอย่างพระอุคุลิมานฆ่าคนเยอะๆใช่ไหม พอท่านเป็นพระโสดาสกทาคานาะคาเป็นพระอราหันเนี่ยกรรมที่ท่านฆ่าคนมันก็ยังอยู่แก้ไม่ได้ก็ฆ่าไปแล้วแต่กรรมใหม่ของท่านดีท่านเปรร็นหลวงพระอราหาันเป็นกรรมดีที่ยิ่งใหญ่ท่านไม่ต้องไปตกนรกอีกแล้วนี่แก้กรรมกันแบบนี้นะไม่ใช่แก้อย่างอื่นไม่ใช่ถอดจิตไปดูเจรจา ก, กับผีตัวที่หนึ่งที่ฆ่าไว้ว่าออโอโหสิน ะ, ะตัวที่หนึ่งยอมตัวที่สองทำยังไงจะยอมกาจะหมดพันตัว ท่านคงไม่ได้เป็นพ ร, าารนะอรหันแะล้วใช้ปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับหลวงพ่อครับเนื่องจากมีผู้นำทานมาถวายนะฮะก็เลยจะขอถวายทานโดยผมขอเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้กล่าวถวายทานนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งจิตอนุโมทนาด้วยกับทานที่มีผู้นํามาถวายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายาธรรมและสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตลอดกาลนันานเทินและขอเชิญรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางฝ่ายการแพทย์นายแพทย์ชุวิตประดิษฐ์ปทุกานนะครับเป็นตัวแทนถวายพระไตรด้วยครับหลวงพ่อขออนุโมทนานะกับพวกเราวันนี้เรามาทาบุญหลายอย่างมาฟังธรรมเนี่ยเป็นบุญสาคัญ นะฟังแล้วหัดเจริญสตินะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างการทำทานนะเอาของมาถวายอะไรพวกนี้ก็ดีเป็นการส่งเคราะห์พระแต่หลวงพ่อไม่ได้ใช้หรอกนะ ม, นมันเยอะเกินกว่าที่หลวงพ่อจะใช้หลวงพ่อขอนิย่าส่งไปให้พระทางอีสานปกติได้ของมาเนะี่ยส่งไปปีหนึ่งเยอะมากเลยนะสตังติดกันเทศหลวงพ่อขอยกให้โรงพยาบาลกลางนะไปช่วยคนยากคนจนนะ